อาจารย์ครับการ ร, รัฐประการครับผมจเจริญพรคุณหมอและท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านครับอาจารย์ครับวันนี้เป็นการจัดรายการครั้งที่หนึ่งร้อยหกสิบสี่แล้วนะครับอาจารย์ครับกับขอขอถามอาจารย์ก่อนเมื่อเช้าคนใสบาตรเยอะไหมครับผมก็เท่าเท่าเดิมวันสี่ร้อยสามสิบห้าคนอ๋อสองวันนี้เท่ากันเหรอครับอาจารย์ไ ม, ม, ม, ม่วันศุกร์เมื่อวานนี้วันเสาร์จะเยอะกว่า 4 0 0 3 5มันหมายถึงมันปกติของเงนสัปดาอาทิตย์นะครัแต่วันเสาร์นี้มันขึ้นเกือบ6 0 0 5 9 5โอ้โหวันนี้เป็นวันพระด้วยวันเสาร์ด้วยเยอะเลยค่ะผมพระอาจารย์ครับวันนี้ ตั้งหัวข้อพระโสดาบันครับเพราะว่าเริ่มมีคนใหม่ๆมาฟังเยอะก็เลยอยากจะฟังเรื่องนี้กันกับอาจารย์ครับกับเอาความเมตตาพระอาจารย์ว่าเราจะเป็นพระโสดาบันได้อย่างไรแล้วก็ถ้าเป็นแล้วจะเป็นอย่างไรครับกับเอาความเมตตาพระอาจารย์ครับก็ตามที่ตาราได้แสดงไว้ก็ต้องละสังโยชน์สามข้อแรกมีหนึ่งรากายะทิฏฐิความเห็นผิดที่ไปเห็นนั่งกายเป็นตัวเราของเรา เห็นเวทนาสัญญาสัขงขารวิญญาณความรู้สึกนึกคิดว่าเป็นตัวเราแต่ความเป็นจริงมันเป็นเพียงสภาวะธรรมเป็นธรรมชาติเหมือนกับฟ้าฝนตกแดดาดออกฟ้าแลบฟ้าผ่าอย่างนี้มันไม่มีตัวตนมันเป็นมันเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอันนี้เราเราไปหลงคิดอวิชชาโมหะความหลงของเราไปคิดว่าร่างกายนี่เป็นตัวเราของเราความจริงมันก็เป็นการ ผสมปรุงแต่งของธาตุสี่คือธาตุดินน้ำลมไฟโรงงานที่ผลิตก็พ่อแม่ของเราเป็นผู้ผล็ตร่างกายนี้ให้กับเราแต่เราไม่มีใครสอนเราเกิดมาเราเป็นผู้รู้ผู้คิดผู้เป็นธาตุรู้เป็นใจที่มาครอบครองร่างกายนี้แล้วก็เลยเป็นของคิดว่าเป็นตัวเราขึ้นมา เพาตัวเราคือถ no ้ารูปน sh ี้ไม่มีรูปหน้าหน้าตาเหมือนหน้ากายพอเราได้ร่างกายเราก็จะคิดว่าเราเป็นหน้ากายเวลาพูดนี้เราก็ใช้หน้ากายพูดเวลาเราฟังเราก็ใช้หน้ากายฟังเราก็เลยคิดว่าเราเป็นหน้ากายแต่ความจริงเราเป็นเพียงแต่ผู้ใช้หน้ากายเหมืนเราคนที่ใช้โทรศัพท์มือถือกับคนใช้มือถือมือถือกับคนใช้มือถือคนละคนกัน แต่เรารู้นี่เพราะว่าคนใช้มือถือมีรูปร่างหน้าตาอย่างหนึ่งแต่ถ้าสมมุติว่าคนใช้มือถือนี่ไม่มีรูปร่างหน้าตาเห็นแต่ตัวมือถือเองเดียวเราก็จะไปคิดว่าเราเป็นมือถือไึ้มานันทีครับใช่ไหมใช่ครับเพราะเราทําะไรผ่านมือถือทุกอย่างพูดคุยตอบโต้อะไรกันถ้าเราไม่มีรูปร่างหน้าตาไม่มีร่างกายเราก็คิดว่าเราเป็นมือถือนึ้นมาร่างกายก็เป็นเหมือนมือถือ แล้วเราเป็นผู้ใช้มือถือเพียงแต่ว่าเราไม่มีรูปร่างหน้าตาแล้วก็เราเป็นเราคิดว่าร่างกายนี้เป็นเราเป็นแบบนี้แล้วความรู้สึกนึกคิดก็เราก็คิดว่ามันเป็นเราอวามอยู่ก็เป็นปั๊บมันเป็นการทํางานของธรรมชาติของความรู้สึกนึกคิดที่มันคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้ที่มันรับรู้เรื่องนั้นเรื่องนี้ผ่านทางตางหูจมูกดินกายเหมือนรับรู้เสียงกลิ่นรสเข้ามา แล้วมันก็รับรู้ว่าเป็นรูปเสียงกินเลอะแล้วมันก็ไปแปลความหมายว่ารูปเสียงกินเลอะที่เป็นยังไงดีไม่ดีเป็นคุณเป็นโทษถ้าเป็นคุณเป็นเป็นคุณก็ด้าก็ดีก็เกิดสุขใจเกิดความสุขไม่ท่าความรู้สึกสุขขึ้นมาแล้วมันเป็นปัจจัยที่มันมันสนับสนุนการให้สิ่งนี้เกิดก็ทําให้สิ่งนี้เกิดตามแล้วก็จะทําให้สิ่งนั้นเกิดตามเพราะเกิดความรู้สึก สุขขึ้นมาก็ เ, เกิดสังกายเราคิดปรุงแต่งขึว่าถ้าอยากจะให้มันอยู่กับเราไปนานๆนะเราชอบความสุขเราก็ไปสังกายให้นางกายสิ่งเหนยที่ให้ความสุขเราพยายามเก็บไว้รักษามันให้อยู่กับเราไปนานๆอย่างนี้แต่นี่มันเป็นการทำงานของขันหนะ้าขันห้ารูปรูปก็คือร่างกายวิทนาสัญญาสังขารวิญญาณ ก, ก, ก็เป็น ส่วนที่มาจากใจแต่ทั้งขันห้านี้ไม่ว่าจะเป็นใจหรือร่างกายนี้ก็เป็นเอียงธาตุรู้เท่านั้นเองใจเป็นธาตุรู้ส่วนร่างกายเป็นธาตุสี่ธาตุดินน้ําลมไฟถ้าวันหนึ่งมันก็จะแยกตัวออกจากกันธาตุดินธาตุน้ำํำธาตุลมก็จะแยกออกจากร่างกายน่างกายนี้ก็หายไป ถ้ารู้ก็แยกจากร่างกายไปแล้วก็ไปหาร่างกายใหม่ไปไปเชื่อมกับร่างกายใหม่ไปครอบครองร่างกายใหม่ต่อไปครับก็ไปเกิดใหม่ครัง้งหนึ่งอันนี้ก็คือต้องเห็นว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราร่างกายต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายมันไม่เที่ยง ม, มันแก่มันเจ็บมันตายถ้าเราไม่ไปยึดไปติดไปอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเราก็จะไม่ทุก การปฏิบ right.> ัติของมรสวดาบานก็เพื่อไม่ให้ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายด้วยการเห็นความจริงว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราเช่นร่างกายของคนอื่นนี่เราไม่ทุกข์กับเขาใช่ไหมเวลาเขาแก่เขาเจ็บเขาตายเอเพราะว่าเรารู้ว่าไม่ใช่ตัวเราอันนี้ก็เหมืนกันเราต้องมองร่างกายที่เรามีอยู่นี้ว่าไม่ใช่ตัวเรามันร่างกายของคนอื่นที่ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเมื่อเราไม่มีความรู้สึก ทุกข์กับร่างกายของคุณหนื่อแล้วก็ไม่ควรจะมีความรู้สึกทุกข์กับร่างกายอั น, นี้เพราะมันเป็นเหมือนกันมันไม่ใช่เป็นของเราเหมือนกันอันนี้โสดาบันก็พิจารณาจนกระทั่งสามารถมองเห็นชัดเจนว่าไม่เป็นตัวตนไม่ใช่ตัวเราของเราก็ปล่อยวางได้นะแล้วก็จะมีความเห็นว่าความทุกข์ใจที่เกิดอีกอย่างหนึ่งก็เกิดจากการทําบาปการทําบาป ก็จะทำให้ใจทุกแล้วก็จะทำให้ใจกลายเป็นเป็นสัตว์ชนิดต่างๆไปแทนที่จะเป็นมนุษย์ก็จะกลายเป็นเดรัจฉานกลายเป็นเป็ดเป็นอศุและกลายเป็นนรกขึ้นอยู่แบบว่าทำบาปด้วยเหตุผลกลไกอะไรทำบาลด้วยความหง่ไม่รู้ว่าเป็นบาปไม่รู้ว่ามีผลต่อรู้ก็ะทำกัยจิตใจก็จะไปเป็นสัตว์เดรัจฉานนําไปเกิด ทำบาปด้วยความโลภ ก, ก็จะไปเป็นโยภวิญญาณที่โอ้โหเขาเรียกเป็นเปรงทำบาปด้วยความกลัวก็จะเป็นโลภวิญญาณที่มีแต่ความหวาดกลัวเรียกว่าอสุรกายทำบาปด้วยความอาฆาตพยาบาติเครียดแค้นจองเวรจองกรรมก็จะเป็นนรกขึ้นมาพระสนุนารบาลเจ้าก็จะหยุดการแปลงใจของท่านให้ไ ป, ไ ป, ไ, ปไปอยู่ในระบายได้ เพร่านมีสติมีปัญญาหรือว่าการเป็นสัตว์เหล่านี้มันเกิดจากการกระทําของตนเองก็จะการกระทําบาปของตนเองด้วยเหตุผลสี่ประการรักชังกลัวหลงก็ท่านก็จะไม่ทําเมื่อไม่ทําการจะเป็นเ ป, น เ, ปนเป็นอสุรกายเป็นสัตว์เนรชายก็จะไม่เกิดกับจิตใจของมัสโซดาบันแท่านก็มีดวงตาเห็นธรรมเห็ น, เ ห, นเห็นอนิยสัตติ เห็นทุกข์ก่อจากความอยากที่ไปคิดว่าร่างกายเป็นตัวเราแล้วก็อยากให้มันอยู่ไปไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายก็เลยก่อความทุกข์ใจขึ้นมาถ้าไม่อยากจะทุกข์ใจก็ต้องเห็นว่ามันไม่ใช่ตัวเราแล้วก็ปล่อยมันเมื่อไม่ใช่ตัวเราเราจะไปอยากให้มันแก่ไม่ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไปทำไมก็ปล่อยมันแก่ไปเราก็จะได้ไม่ทุกข์เราจะเห็นมีดวงตาเห็นธรรมเห็นอริยสัจสี่เห็นตายรัก ก็จะมีความมั่นใจในพระพุทธธรรมพุทธสงค์พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราดังนั้นเราเห็นธรรมคือคําสอนของพุทธเจ้าอย่างชัดเจนในใจเราเราจะไปสงสัยผู้สอนไหมเราก็ไม่สงสัยว่าผู้สอนไม่จริงหรือเปล่าเพราะธรรมอันนี้มาจากพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวไม่มีใครรู้นอกจากพระพุทธเจ้าพระเจ้าบอกผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราผู้เห็นธรรม ผู้เห็นนามก็คือผู้เห็นธรรมและผู้ที่จะเห็นธรรมเห็นนามก็คือผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็คือพระโวดามันนั่นเองก็จะไม่สนใยใน ร, ราระฐานใดว่าอยู่ที่ตรงไหนก็อยู่ในใจของพระโวดามันอยู่ในใจของผู้ปฏิบัติพุท พ, พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็จะปรากฏขึ้นในใจของพระโสดามันก็จะละสามโยต์สามข้อได้ แล้วก็จะทำให้ท่านท่านห้ามไม่ให้ไปเกิดในอบายได้แต่ท่านยังห้ามไม่ให้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ไม่ได้อยู่ยังห้ามไม่ให้กลับมาเกิดในการมาพบไม่ได้อยู่เพราะท่านยังไม่ได้ละสัมโยชิ์อีกสองข้อคือการมาราคะความยินดีการเสบรูปเสียงกลิ่นรสเสบ ก, กามนั่นเองการจะเสบกามได้ก็ต้องมีร่างกายก็ต้องกลับมาเกิดใ็นพบของมนุษย์ พื่อเริ่มจะได้มาเสพกามมามีแฟนมาเป็นคู่รักมีครอบครัวต่างๆแบบนี้อันนี้พระสุวรามันยังต้องกลับมาเกิดแต่จะไม่เกิดเกินเจ็ดชาติเพราะจะเห็นทุกข์ของการเกิดแต่ละครั้งมันก็จะทําให้เกิดความเบื่อหน่ายแล้วก็พยายามที่จะไปตัดการมาราคาต่อไป ถ, ถ, ถ้าทําถ้าทําให้ละการมาราคา้านั้นทำให้เบาบางลงก็จะทําให้กลับมาเกิดเหนืออีกเพียงชาติเดียว นี่ก็เป็นขั้นที่สองของการบรรลุพระอนิจจบุคคลเป็นพระสกิทาคามีการชระ ก, การมาราคะานึกทำให้เบาบางก็ต้องคิดถึงรสุภาคิดถึงความไม่สวยงามของร่างกายคิดถึงอาการจาระยสองอาการาต่างๆที่อยู่ภายใต้ผิวหนังนึอคิดถึงทราบศพเวลาร่างกายตายไปมันก็จะทําให้การมาราคะความอยากจะเสดกางมันก็เบาบางลง แต่ยังไม่หมดถ้าไม่ได้พิจารณาอย่างยางต่อเนื่องตลอดเวลาเห็นบางเวลาเวลาที่เห็นก็จะไม่มีความอยากในเวลาที่เผลอไม่ได้ไปพิจารณาสุภาพลืมอสุภาพไปมันก็จะเกิดความอยากขึ้นมาล้วเพราะสกิรคาเมก็ยังต้องกลัมาเกิดอีกเพียงหนึ่งชาติเป็นอย่างมากกลัมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วต่อไปถ้าท่านพิจารณาสามารถเห็นอสุภาพด้ตลอดเวลาสามารถรับการมาราคาด้ตลอดเวลา ท่านก็นจะไม่กลับมาเกิดในภพของมนุษย์อีกต่อไปท่านเป็นบ้า น, นาคามีท่านก็นจะไปเกิดอยู่ที่สวรรค์ชั้นพรหมโลกที่เรียกว่าสุดทาวาสมีอยู่ห้าชั้นอันนี้ก็ต้องรอให้ท่านไปไปละสังโยชน์ที่เหลืออีก5้าข้อทังโยชน์มีทั้งหมดสิบข้อเมื่อต้นโสดาบาันะได้สามข้อกนาคามี ทำให้เบาบางลงอีกสองข้อคือการมาลาคะกับปฏิคะอา น, นาการมีกําจัดการมาลาคะปฏิคะได้หมดก็เลยทําให้ไม่ต้องกลับมาเกิดในกาลมาภพอีกต่อไปแต่ยังไปติดอยู่ในรูปประพบอารม ป, ประพบอยู่ยังติดในรูปปัจจานรูปปัจจานอยู่ก็ต้องพิจารณารูปปัจจานรูปปัจจานแล้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอย่าไปเสนก อยู่แบบไม่มีความอยากดีกว่ายังมีความสงฆมากกว่าอ่อต่อไปท่านก็จะละตมานาคะลูกประการาหน้าบัวละอวิชาระสั้งยอดที่เหลืออยู่ห้าข้อได้หมดก็เป็นพระอรหันต์ขึ้นมาเพราะมุขอราัาต์ก็จะไม่กลับมาเกิดแก่เจ็บตายในในตายภพต่อไปไม่เกิดในการมาพบไม่เกิดในรูปประพบไม่เกิดในอารมูรปประพบ ต้องร่าสยสโยให้หมดสิบข้อแต่กันอย่างนี้เป็นพราอ า, หารหันต์นะอันนี้ก็พูดโดยสังเขปนะพรพูดเปลึกรายละเอียดก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเพราะเป็น น, นนักศึกษาแพทย์วิธีผ่าตัดอะไรนี้ก็สอนได้แบบสังเขปใช่ไหมถ้าเป็น น, นักศึกษาแพทย์ปีหนึ่งอยนี้จะไปสอนลึกขนาดรายละเอียดก็พูดไปเขาก็ไม่เข้าใจอยู่นี่ ได้เข้าใจโดยภาพรวมก็ อ, อให้รู้ว่าการที่จะเป็นปาพนี้องค์กรต่างๆน้นต้องละสัมโยต่างๆฟังดูเป็นเหตุเป็นผลมากเลยนะครับอาจารย์ผมเป็นวิทยาสามตการที่จะล่าได้นั้นต้องมีมีสติมีสมาธิที่สมบูรณ์คือต้องเข้ า, ขาออก็ปนานสมาธิได้ถ้ายังเข้าไม่ได้ปัญญาจะไม่มีกำลังกำหนดจะไม่มี จิตจะไม่มีกําลังทําตามปัญญาคือละสังโยชน์ได้ปัญญาพิจารณาว่าที่ทุกข์ก็เพราะไปยึดไปติดกับสิ่งเหล่านี้ไปอยากกับสิ่งเหล่านี้แต่ถ้าไม่มีสมาธิในระดับอัปปนาสมาธิก็จะไม่สามารถที่จะละสังโยชน์ได้อย่างที่เราฟังกันเนี่ยเรารู้ว่าร่างกายร่างกายไม่ใช่ตัวเราของเราแต่ถึงเวลาจริงๆเรายังละมันไม่ได้เพราะว่าแรงของกิเลสแรงของความหลงมันยังกําลังมากอยู่ มันยังยึดติดอยู่กับร่างกายว่ายังเป็นตัวเราของเราอยู่ถึงเมื่อได้ยินในฟังจนหูฉีกว่าพระเจ้าสอนว่าไม่มีอะไรเป็นตัวเราของเราเราก็ยังไปคิดว่ามันเป็นตัวเราของเราอยู่ดีแต่ถ้าเราทําใจให้เป็นสมาธิได้ทําทใจให้สงบว่างได้ความคิด ท, ที่ว่าเป็นตัวเราของเรามันก็จะหายไปแลปะตามยึดติดในร่างกายมันก็จะหายไปชั่วคราวในขณะที่อยู่ในสมาธิ พ อ, อจากสมาธิมาพอมันจะไปยึดติดเขาใช้ปัญญาสอนใจไม่ใช่ตัวเราของเรานะอีนน่ยไปยึดไปติดยึด น, นอดทุกมันก็จะไม่เล่นไ ด, ได้เพราะมันสามารถปล่อยวางได้ด้วยสมาธิแล้วบางที่เราก็มาปล่อยวางด้วยปัญญาอทีกลับขอบพระคุณพระอาจารย์ครับขอกราบถามคําถามจากเพื่อนๆ น, นะครับผมคุณเพชรตะวันครับ ทำอย่างไรไม่ให้ทอ้ทอเพราะยิ่งฝึกยิ่งห่างจากธรรมครับความท้อมันเกิดจากความอยากของเราอยากได้ผลพอไม่ได้ผลเลยก็ท้อเราต้องพิจารณาด้วยเหตุผลว่าผลขอ่เราไม่เกิดกเพราะเหตุของเรามันยังไม่ถึงงั้นเราต้องเพิ่มเพิ่มเหตุให้มีมากขึ้นหรือเหตุของเราไม่ถูกที่เราบอกปฏิบัตินี่เราต้องปฏิบัติ ด, ดีและปฏิบัติชอบ ปฏิบัติดีก็ต้องความเพียรต้องถึงการปฏิบัติของเราต้องต้องเต็มร้อยส่วนปฏิบัติชอบก็คือต้องถูกต้องด้วยถ้าปฏิบัติผิดมันก็ไม่ได้ผลอยู่ดีงั้นเราก็ต้องหมั่นศึกษาดูวิธีการปฏิบัติของเราเปรียบเทียบกับคําสอนของพระพุทธเจ้าว่ามันตรงกันหรือไม่ถ้าไม่ตรงกันเราก็ต้องปรับการปฏิบัติของเราให้มันเข้ากับคําสอน ถ้าเราไม่มีครูบาอาจารย์แล้วคนจะไปหาครูบาอาจารย์เพราะเราเองมางที่สอนตัวเราเองไม่ได้มัน เ, เรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่มันเป็นเรื่องที่ไม่มีใครรู้ได้ด้วยตนเองมันต้องอาศัยคนสอนส่วนใหญ่จะต้องไปอยู่กับครูบาอาจารย์ไปบวชแล้วก็ไปอยู่กับครูบาอาจารย์เป็นปีๆเลยให้ท่านคอยสอนคอยเตือนเวลาเผลอสติท่านก็บอกว่าเผลอแล้วนะอะนเวลาไม่นั่งสมาธิท่านก็จะไ ล, ล่เราเข้าไป เข้าสมาธิไปนั่งสมาธิเวลาเราออกมาเกะกะมายุ่งกับส่วนใหญชาอบมายุ่อยู่แถวโรงน้ําชาชอบมาหาน้ําชาครับพอท่านเดินผ่านมาเห็นข้าวท่านก็หมดไรเลยเปิดเลยกับต้องมีครูบาอาจารย์คอยต้อนให้เราเข้าสู่การปฏิบัติส่วนใหญ่แล้วกิเลมันจะชอบดึงเราออกจากการปฏิบัติให้ไปหารูปเสียงกิก่งนัดนไปหากรรมมาหาการมาาารมาสุขกันสุขอย่ากกาน ดูมือถือแต่ ว, ว่านี่มีมือถือด้วยแต่ไว้ก่อนไม่มีท่านก็ห้ามห้ามทีวีห้ามวิทยุห้ามหนังสือพิมพ์เราห้ามใจเราได้ไหมไ ม, ไม่ดูของเหล่านี้ถ้าเรายังดูของเหล่านี้อยู่แล้วเราจะไปหวังที่จะได้ผลมันไม่มีทางหรอกเราอย่าไปโทษอะไรโทษการปฏิบัติของเราว่ามันมันไ ม, ม, นไม่มันไม่เต็มที่มันไม่เต็มแล้ ว, ลวมันก็ไม่ถูกด้วย ถ้าเราเห็นนี้เราก็จะไม่เท้อเราก็จะมาปรับปรุงตัวเราเองอว่าเ้าทําผิดเองอเราไปดู แ, แก้ไขดัดแปลงอะไรก็ทําไปถ้าทําถูกผลมันก็ไม่ไต้องเกิดอย่างแน่นอนมันอยู่ที่ผลผลอยู่ที่เหตุอยู่ที่การกระทํามันไม่ได้อยู่ที่อะไรมไม่ได้อยู่ที่ความอยากของเราถเราอยากได้แรงขนาดนัน้นก็ไม่เกิดถ้าเหตุไม่มีเหตุคือการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ อาจารย์อยู่ใกล้หลวงตานี่สติเต็มที่เลยใช่ไหมครับอาจารย์ใช่ท่านคอยนอนดูดวัดขงท่านยเยอะเยว่าลหลายอารอบแถวยน้าชานี่ท่านจะเดินมาสองสามรอบช่วงที่ท่านอนุญาตให้ท่านลงมาฉันน้าชานี้วเห็นว่าเห็นมาทั้นที่สองเยังยังเจอหน้าอยู่ถี่ต้องรีบเปิด้ะถ้ามาลอ้าที่สามต้องวนไล่แน่นวงแตกครับอาจารย์ อาจารย์ครับมีคําถามว่าจะสอนลูกวัยรุ่นให้นั่งสมาธิต้องเริ่มยังไงครับเพราะว่าเราจะพูดกับเขาได้ยังไงบ้างครับต้องดูศักยภาพของเขาว่าเขาทําตามที่เราสอนได้หรือเปล่าเราจะสอนหมาให้ทําแล้วเราก็ดูว่ามันทําได้ไหมหมามากตัวสอนให้มันเช็ดแคร์มันก็ไม่เช็ดแคร์เนี่ยมันไม่มีศักยภาพก็สอนมันไม่ได้ก็ลองสอนดูสิแล้วดูว่าเขาทําได้หรือเปล่าถ้าทําได้ก็ก็สอนไป ถ้าทำไม่ได้ก็อย่าไปฝืนธรรมชาติเขาเลยแสดงว่าเขายังไม่พร้อมก็าพาเขาไปปฏิบัติสิวิธีสอนที่ดีที่สุดก็ให้เขาทําตามเราเนี่ยพ่อแม่สอนลูกวิธีที่ดีที่สุดก็คือสอนทอนด้วยการกระทําของตนเองนพ่อแม่กินอะไรลูกก็กินตามพ่อแม่พ่อกินข้าวลูกก็กินข้าวตอนแรกลูกก็ติดการกินข้าวเองแต่ถ้าพ่อกินข้าวแล้วบอกให้ลูกไปกินหนุมปังลูกมันก็ไม่กินเพราะเห็นพ่อกินข้าว ก็กินกินกับพ่อก็กินแต่ข้าวไปนั้นถ้าอยากจะให้ลูกปฏิบัติก็ชวนเขาไปปฏิบัติกับพ่อสิพ่อต้องไปไปด้วยต้องทําเป็นตัวอย่างให้ทำเป็นกิจกรรมร่วมกันเช่นครอบครัวทุกเย็นมีไหวพ้พระสวดมนต์ตอนเย็นกันนะัดเวลาทุ่มหนึ่งมารวมกันนะมานั่งสมาธิมาไหวพ้พระสวดมนต์กันถ้าอย่างนี้มันก็จะมีการกระทำมีการสอนแต่ถ้าเราอยู่ดีๆเนี่ยนะนำว่าลูกนั่งสมาธินะ อย่างตัวพ่อนั่งดูทีวีเฉ ย, ยไม่มีทางคุณหนุ่มน้อยครับคนที่ขี้หลงขี้ลืมบาปกรรมไหมครับถ้าไม่ไปทำบาปก็ไม่บาปกรรมเพแต่ว่าคนขี้หลงขี้ลืมนี่มันจะพัฒนาตัวเองทางปัญญาไม่ได้มันจะลืมเรียนอะไรก็ลืมไปหมดจำไม่ได้ไปสอบก็สอบตกดูหนังสือแล้ว พอจําได้ตอนที่ดูหนังสือพอไปถึงเวลาไปสอบลืมใช่ไหมเนี่ยพอเขาถามคำถามมาก็เอาคําตอบออกมาไม่ได้เวลานั่งสมาธิจิตไม่นิ่งเลยต้องทําอย่างไรครับก็เพราะขาดสติสตินิกาลังน้อยต้องพยายามฝึกสติให้มากก่อนที่จะมานั่งสตินี่มันเป็นเหมือนเบรกรถยนต์เนอะเวลารถยนต์วิ่งนี่ เวาเราแตะเบรคครับรถมันจะหยุดตรงที่จุดเราเราเหยียบเบรคไหมมันไม่หยุดใช่ไหมมันยังวิ่งต่อไปอีกอีกหลายหลายเมตรด้วยกันก่อนจะหยุดได้ฉันใดถ้าเราอยากจะใช่จิตนิ่งตอนที่เรานั่งสมาธิเราต้องหยิบเยียบเบรกก่อนที่เราจะมานั่งสมาธิเบรกของใจก็คือสติเราต้องคอยหยุดความคิดก่อนที่เราจะมานั่งสมาธิไม่ใช่มานั่งสมาธิแล้วค่อยจะมาคอยหยุดมันใช่ไหมนั่งร่ำบริกรรมพุโทโธพุโทโธ ก็จะหวังให้มันสงบ ท, งทันทีมันไม่มีทางอาจจะต้องนั่งพุโทโธไปสักชั่วโมงนึงมาหลับถึงจะสะงบได้คุณจีเอชเจบอกว่าถ้ามีความอยากกิเลสคาดหวังซ่อนในใจย่อมไม่มีทางได้เป็นเลยจริงไหมครับคือมันมีความอยากในธรรมก็ไม่เสียหายตรงไหนเพียงแต่ว่าอย่าไปอยากอย่างเดียวอยากก็ต้องสร้างเหตุที่จะทําให้เกิดผลขึ้นมา เพื่อยากจะจบหมออย่างเงี้ยก็อยากได้อต่กต้องไปเรียนต้องไปสอบเอ็นทันให้เข้าเรียนให้ได้เติวให้เข้มถ้าเราอยู่ม .6 อย่เนี้ยต้องขยันเรียนคณิตวิทยาศาสตร์เตียวจบออกจากห้องเรียนแล้ก็ต้องไปเข้าห้องเรียนติวต่อยถึงสองทุ่มสามทุ่อย่างเงี้ยถ้าอย่างเงี้ยเวลาไปสอบ ม, มันก็สอบได้ความอยากมันก็ดีพเพียงแต่ว่าความอยาก เพียงอย่างเดียวไ ม, ไม่สามารถทำให้เกิดผลได้มันต้องมีการสร้างเหตุที่ทำให้เกิดผลผลนี้ก็คือการเรียนถ้าทำๆก็ต้องการปฏิบัติการศึกษาและการปฏิบัติเมื่อปฏิบัติมาถูกทางแล้วผลจะเป็นอย่างไรครับอา้าจิตก็จะสงบมากขึ้นความสุขในใจก็มากขึ้นความทุกข์ในใจก็น้อยลง ความโลคความโกรธครามหลง ก, ก็จะน้อยลงไปตามลาดับเนี่ยคุณอนุชาครับเราควรพูดจากับคนที่เป็นโรคมะเรง็งเขากลัวตายมากๆเราบอกให้เขาเข้าสู่ทางธรรมเขายังไม่เปิดใจเราผ่านจุดนั้นมาได้เพราะทางธรรมครับก็แล้วแต่เขาไงครับรที่เราจะแนะนใไแเราก็ต้องรู้ว่าเขายินดีที่จะฟังข้อแนะนาของเราไหมแล้วก็ไม่ยินดีเราก็พูดอะไรไม่ได้ ใส่บาตรตอนเช้าแต่ไม่ได้กรวดน้ําผู้ร่วมรับจะได้รับบุญไหมครับถ้าถ้าอุทิศบุญโดยไม่กรวดน้ําเขาก็จะได้มันไม่ได้อยู่ที่กรวดน้ำนะไม่กรวดน้ํามันอยู่ที่การอุทิศบุญเะาต้องอุทิศภายในใจของเราว่าอพอใส่บาตรเสร็จแล้วก็บอกขออุทิศบุญส่วนนี้ให้กับผู้นั้นผู้นี้ก็ถือว่าสําเร็จประโยชน์แลนะไม่ต้องใช้น้ําคุณเล็กครับ อาชีพเก็บขวดเก็บขยะตามถังถือว่าเป็นสัมมาอาชีพไหมครับก็ไม่ผิดกฎหมายไม่ได้ขลักขโมยของของใครไม่ของที่เขาทิ้งแล้วก็ไม่ก็ถือว่าเป็นสัมมาอาชีพผ้าก็ไปเก็บผ้าที่เขาทิ้งแล้วในป่าช้ามาทําเป็นกีวรเหมือนกันพุทเจ้าท่านสอนให้พระใช้ของฟรีจะได้ไม่ต้องเสียเวลาไปหาเงินมามาซื้อขอ ง, งตาอ่างๆจะได้มีเวลาให้กับการปฏิบัติให้ได้มากที่สุด ในสอนให้พระ อ, อยู่แบบบ้างน้อยสันโดษบ้างน้อยก็คือใช้น้อยๆใช้ของถูกๆหรือใช้ของที่ไม่ต้องเสียเงินให้ให้หาเองทำเองเช่นยาก็ใช้น้าปัสสาวะของตนดองพวกสมอเป็นยาดองได้เวลาปวดท้องปวดศีรษะก็ดื่มน้ำยาดองน้ำมูกนี่ได้ของทุกอย่างที่ปัจจัยสีของพระนิพพิจาสอนให้ใช้แบบไม่ต้องใช้เงิน อาบังสกุลก็ไปเก็บผ้าที่เขาทิ้งตามป่าช้าหรือตามกองขยะเอามาเป็นเศษชิ้นส่วนเล็กน้อยก็ามาบ่ามาตัดมาเย็บเป็นผืนใหญ่ต่อไปได้ที่อราใสยงานอยู่ตามป่าตามเขาทําเพิ่มด้วยกิ่งไม้ใบไ ม, ไ ม, ไม้พอลมแดดบรือฝนได้ก็พออยู่แบบไม่ต้องเสียเงินไม่ต้องเสียค่าเช่าไม่ต้องเสียค่านรื่องรถไฟ ก็จะได้ไม่ต้องมาเสียเวลากับการไปหาเงินมาจ่ายค่าใช้จ่ายเหล่านี้จะนั้นมีเวลาให้กับการปฏิบัติได้อย่างเป็นที่อาหา ร, รบาินถบัดก็ให้ไปบินถบาตเดินเดินถือบาตรเข้าไปในบ้านแล้วแต่ใครมีศรัทธาการเมตตาสงสารอยากจะแบ่งอาหารให้ก็รับไว้ไม่ไปรบกวดการไม่ไปขอใครการบาินถมบัดนี้ไม่ได้เป็นการไปขอทานเป็นการไปไปรับของจากผู้ที่มีความศรัทธาหรือมีความเมตตาเมร ใจเป็นใจบุญทำทานที่อยากจะทําบุญทําทานกับคนยากไรก็ไปรับแค่นั้นเองแต่ไม่ได้ไปขอมีคนถามว่าขอความรู้เรื่องพญานาเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาอย่างไรบ้างไหมครับอันนี้มันไม่เกี่ยวกับการดับความทุกข์เราก็เลยไม่ไมสนใจมันอาจจะมีจริงไม่มีจริงก็ไม่เป็นปัญหาอะไรมันไม่มาช่วยดับความทุกข์ใจเราได้ ตอนที่นอนศึกษาปฏิบัตินี้เราเน้นอยู่ที่เรื่องวิธีการดับความทุกข์เพียงอย่างเดียวส่วนความรู้อย่าง อ, งอื่นพวกอินทินิตปาฏิหาริย์ต่างๆห่อเหินเดินาการ น, น, น, นํานินได้อะไรเนี้เราไม่ค่อยสนใจนะเพราะมันไม่ได้สามารถที่จะมากำจัดความทุกข์ในใจของเราได้คุณชุรีรัตน์ครับอนุโมทนาอนุโมทามิกับอนุโมทน า, นทน า, นทนาต่างกันอย่างไรครับอันเดียวกันแหะมันเป็นภาษาที่เขา จ, จะใช้ แบบเป็นเป็น ส, ปสัปปานหรืออะไรถ้าเป็นเป็นกิริยาก็พูดอย่างหนึ่งเป็นผู้หญิงก็พูดอย่างนึงเป็นผู้ชายก็พูดอย่างหนึ่งเท่านั้นเองเป็นศัพท์ภาษาของบาลีครับบางทีถ้าพูดหลายคนก็ว่ามะถ้าคนเดียวก็ว่ามิอะไรเป็นไวยากรณ์และครับอาจารย์ไวยากรณ์หรือสัปปามม้างหรืออะไรแล้ ว, ปปวนะแต่พุโทโธพุทธะเนี่ยแล้ก็ เป็นสั ป, ปดาห่แดงแล้ก็เป็นพุทธพระพุทธเจ้าอย่างนี้ความหมายก็อันเดียวกันปฏิบัติที่บ้านจะตามรู้อารมณ์จะเห็นอารมณ์ที่เกิดแต่ก็เห็นอารมณ์เบื่อจะแก้อย่างไรครับก็อย่าไปดูอารมณ์เลยตอนนี้ยังไม่ถึงเวลาที่ดูอารมณ์ต้องหยุดอ้างลมให้ได้ก่อนหยุดอารมณ์ด้วยการเจริญสติบริกรรมพุทโธพุทโธไป หรือดูการเคลื่อนไหวของร่างกายเพื่อให้มีสติมีกําลังที่จะหยุดอารมณ์ได้พอเราหยุดอารมณ์ได้แล้วเราดูอารมณ์ได้นะทีนี้เวลาอารมณ์ไม่ดีเราก็หยุดมันได้เวลาอารมณ์ดีเราก็ปล่อยมันไปแต่ถ้ายังไม่มีสติไม่มีเครื่องมีมามันหยุดอารมณ์อยากเพิม่มไปดูอารมไม่เกิดประโยชน์อะไรต้องสร้างสติก่อนพุทธเจ้าสอนให้สร้างสติก่อนสร้างเครื่องมือสติกับสมาธินี่เป็นเครื่องมือ ที่เราจะมาใช้หยุดอารมณ์หยุดความโลภกรธหลงได้แต่ถ้าเราไม่มีสติไม่มีสมาธิเราหยุดอารมณ์ไม่ได้หยุดความโลภกรธหลงไม่ได้ดูไปก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรมันให้มันดูให้มาเฝ้าบ้านแต่ไม่มีปืนไว้คอยป้องกันขโมยพอขโมยเข้าบ้านเขามีปืนเราไม่มีปืนเราต้องคอยหลบเท่านั้นแหละแต่ถ้าเรามีปืนพอขโมยเข้ามาเราก็ยิงไล่มันได้ต้ามีเครื่องมือก่อน การที่จะดูอารมณ์ดูจิตได้เพราะในจิตเรามีขโมยหลายตัวมีความโลภความโกรธความหลงที่เราต้องคอยไล่ฆ่ามันให้ได้ไล่มันออกไปจากใจให้ได้เราต้องมีอาวุธมีเครื่องมื อ, เ ค, อ, มอเครื่องมือก็คือสติสมาธิแล้วก็ปัญญาตามลาดับอาจารย์ครับในแง่ของดูอารมณ์นี่ถ้าเปรียบเทียบกับสติปัฏฐานสี่นี่คือดูคือดูจิตใช่ไหมครับมันเป็นกายเป็นานามะจิตแล้วก็จิตดูเพื่อเพื่อหยุดมัน จิตที่ส่วนที่ไม่ดีมันก็หยุดมันความโลภความโกรธความหลงมันก็อยู่ในจิตก็เป็นดารมณ์แล้วจิตโลภแล้วก็หยุดมันเวลาจิตโกรธแล้วก็หยุดมันคุณรุตครับกราบเรียนพระอาจารย์ครับเดี๋ยวทางตึกตรัอ๋อกราบขอเรียนพระอาจารย์ขุดดินถากหญ้าแล้วไปโดนไส้เดือนตายอันนี้เราจะบาปไหมครับทั้งที่เราไม่ได้เจตนาครับ ไม่มีเจตน า, นาก็ไม่บางเป็นอุบัติเหตุเป็นเรื่องสุดวิสัยการนั่งสมาธิได้บุญไหมครับคำว่าบุญเราต้องเข้าใจก่อนว่าแลปลว่าอะไรบุญคือความสุขใจอิ่มใจแลวความสุขใจอิ่มใจนี้สามารถเกิดได้หลายวิธีด้วยกันแต่มีความน้ำหนักมากน้อยต่างกัน เวลาเราทำบุญทำทานเสียสละแบ่งปันเราก็ได้ความสุขใจอิ่มใจในระดับของทานเวลาเรารักษาศีลได้เราก็จะได้ความสุขใจอิ่มใจที่เกิดจากการเราไม่ไปฆ่าไม่ไปทําบาปเวลาเรานั่งสมาธิจิตสงบจิตก็จะมีความสุขใจอิ่มใจระดับของความสุขใจอิ่มใจของสมาธิไม่มากมากกว่าของศีลแล้วการระดับของศีลนี่มากกว่าการทําบุญให้ทาน แต่มันก็เป็นบุญเหมือนกันบุญที่เกิดจากการทำทานบุญที่เกิดจากการรักษาศีลบุญที่เกิดจากการภาวนาคุณปูเป้ครับกลับถามพระอาจารย์ครับพระพุทธเจ้าท่านทรงบัญญัติห้าไม่ให้พระเข้าไปรบกวนสกุลที่สําเร็จพระอริยะบุคคลขั้นโสดาบันขึ้นไปถูกต้องไหมครับหมายความว่าอย่างไรครับอันนี้เราไม่ทราบเลยถ้าไปรบกวนใครก็ไม่ควรนันะ่นแหะ พระพุทธเจ้าสอนไม่ให้ไปขอใครคนที่ไม่ใช่ญาติหรือคนที่เขาภาวนาตัวไว้แล้วอย่างถ้าคุณหมอไม่ได้ปภาวนาตัวว่าท่านต้องการอะไรแล้วเราต้องการรถยนต์เราแบบคุณหมอตอนนี้อยากจะได้รถยนต์สักคันอย่างนี้ก็เลยไปไปรบกวคุณหมอแล้วท้าคุณหมอต้องกังวลแล้วทําไงว ะ, ะถวายท่านหรือไม่ถวายท่านคนที่ไม่พร้อมก็เลรู้สึกอัดอจใจนั้นท่าบอกไม่ให้ไปรบกวนคนที่เขาไม่ได้เป็นพี่น้องญาติพี่น้องเรา หรือคนที่เขาไม่ได้เสนอตัวไว้ก่อนว่าเขายินดีที่จะอะทําอะไรให้กับเรานี่ไม่ว่าจะเป็นพระอนิยมบุคคลหรือเป็นข้าอะไรก็แล้วแต่ไม่ควรไปรบกวนเขาเท่านั้นนะอันนี้ตามความเข้าใจของเรานั้นอาจจะไม่ถูกต้องตามตามคำถามที่ถามมาก็ได้ครับแต่ผมภาวนาแล้วพระอาจารย์ไม่ค่อยใช้ไม่เคยใช้ครับไม่เค ย, เ ย, เคยบครบกวนเลยครับพระอาจารย์ เมื่อตามรู้ตามดูสิ่งที่มากระทบตาหูจมูกลิ้นกายใจจนเกิดความเบื่อหน่ายทั้งโลกแล้วจะต้องไปอย่างไรต่อครับท่านนี้ก็เหมือนกั น, นก็ดูอารมณ์นะรดเส้นเกลแล้วมันก็เป็นอารมณ์อย่างหนึ่งกันก็อย่าไปดูมันถ้ามันเบื่อก็อย่าไปดูมันเอาเอาจิตเข้าพอดานาเข้าไปในสมาธิดีกว่าสมาธิถ้าจะมันถ้าเข้าสมาธิแล้วจิตจะไม่มีความเบื่อ ความสุขของสมาธินี้จะเป็นความสุขที่สดชื่นเบิกบานตลอดเวลาคุณเพนสีครับคนที่ความจำเสื่อมเสียชีวิตแล้วหลังจากนั้นจิตจะกลับมาดีได้หรือเปล่าครับมันก็ต้องมีเหตุที่ทำให้มันดีอยู่ดีๆมันก็จะไม่ดีของมันเองก็ต้องมีการมาสั่งสอนให้มีสติมากขึ้นอย่างเด็กที่มนเกิดนัน่เป็นเด็กที่ พิการทางสมองที่เขาเรียกพิการทางสมองก็จริงวันพิการทางสติสติไม่มีพอเลยไม่สามารถที่จะทําทอะไรได้เขาก็ต้องมาฝึกสติให้กับเด็กฝึกไปเรื่อยๆมันก็จิตก็จะดีขึ้นตามลำดับเลยเอาไว้ก็จะกลับมาเป็นปกติได้แต่ถ้าอยู่เฉยๆนี่จะให้มันกลับมาเป็นปกติเองนี่ไม่รู้ว่าจะต้องเป็นเรื่องของกฎแห่งกรรมหรือเปล่าซึ่งอาจจะ วันใดวันหนึ่งมันอาจจะฟื้นขึ้นมาเป็นปกติก็ได้แต่ต้องใช้เวลานานเท่าไหร่อันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกัสนสวดมนต์โดยเปิดเสียงฟังตั้งจิตได้บุญไหมครับถ้าจิตสงบก็ได้บุญถ้าจิตฟุ้งก็ไม่ได้บุญถ้าจิตก่อนก่อนฟังแนละ้นหลังจากฟังแนละ้วมันก็เท่าเดิมนี้ก็ไม่ได้บุญถ้าความรู้สึกไม่มีความสุขใจถ้าไม่มีความสุขไม่มีความสงบกเกิดขึ้น อยากการฟังการสวดบนตนก็ไม่ได้บุญบางทีนั่งฟังไปแล้วไปเครียดกับเรื่องเงนเดือนเครียดกับเรื่องงานการอย่างนี้ตอนต้นก็เครียดตอนฟ่อนฟังก็เครียดเราหยับฟังเสร็จก็ยังเครียด อ, อยู่อย่างนี้ก็ไม่ได้บุญเนี่ยคุณสราวุธครับจะทำยังไงชีวิตคู่จะใช้คู่จึงมีความสุขครับบางทีก็ทะเลาะกันไม่เข้าใจน้อยใจกันบ้างครับ ก็ต้องยอมรับว่ามันไม่แน่นอนมันก็จะทําให้เราไม่ทุกข์ต้องยอมรับว่าบางทีก็รักกันบางทีก็ชอบกันบางทีก็โกรธกันเกลียดกันแต่ว่าเป็นเหมือนกับกินอาหารที่มีหลายรสชาติก็แล้วกันถ้าอย่างนี้ก็พออยู่กันได้แต่ถ้าจะให้มันหวานไปเจี๊ยบไปตลาดเวลาเที่พอมันขมขึ้นมามันก็จะอยู่ด้วยกันไม่ได้เั็นต้องยอมรับว่าชีวิตคู่มันมีหลายหลายรสหลายชาติบางทีก็ มันข้าวใหม่ปามันบางีกบปา เ, ปปาเบริจาคร่างกายไปแล้วเขาว่าเกิดชาติหน้าอวัยวะจะไม่ครบจริงไหมครับไม่จริงหรอไม่เกี่ยวกันคุณประพัดสอนครับปัจจุบันชอบนั่งสมาธิฟังธรรม ทำให้เวลาไปทำงานเหมือนจะแปลกแยกกับคนอื่นเพราะคนส่วนใหญ่ชอบจับกลุ่มนินทาอวดของแบรนด์เนมคุยเรื่องหนังเรื่องแฟชั่นซึ่งหลังๆเราแทบจะไม่ได้สนใจด้านนี้เลยทำให้เราไม่สามารถเข้าสังคมได้เหมือนส่วนกระแสโลกควรวางใจอย่างไรครับก็วางใจว่ามันเป็นความจริงไงเราเป็นอย่างนี้เขาเป็นอย่างนั้นเราก็ต้องยอมรับความจริงของเราแล้วเราก็อยู่ตามความจริงของเราไป เราไม่ยุ่งกับเขาก็รลบไปถ้าไม่ทําให้องค์กรเสียหายไม่ทําให้เกิดอะไรแล้วก็อยู่ของเราไปแบบนี้ถ้าเกิดมีปัญหาขึ้นมาเราก็อาจจะต้องแยกตัวเราออกจากองค์กรนั้นไปไปอยู่กับองค์กรที่เขาชอบแบบเดียวกับเราก็คือไปอยู่วัดถ้าไปอยู่วัดก็ไม่มีใครคเขาจะมีปัญหากับเราเพราะทุกคนก็เป็นเหมือนกันไม่ชอบลูปกับใครชอบความสงบชอบอยู่ต่างลาพังคุณอ้อครับบอก อันนี้เป็นหนูน้อยนะครับอายุเจ็ดขวบชื่อบันนาครับชอบฟังหลวงปู่เทสมากเลยครับเมื่อเรื้ยงมาเจ็ดขวบนี่โคเก่งนะมีของเก่าก็าครับอาจารย์เจ็ดขวบก็ในที่มีคนบางคนที่บวชเป็นเนรใช่ไหมที่พุทธมาานะ่านไา้จัดฉาญอาจจะมีของเก่าติดมาถ้าไม่มีการจัดฉานนะอันนี้เราก็ไม่รู้ ถ้าเริ่มมีพัสมีสง์วิจารณ์สง์กันมากขึ้นพวกเราคารวาสควรทําอย่างไรครับไม่ทราบเหมือนกันเราเก็ถือว่าไม่ใช่เรื่องของเราก็แล้วกันเขาจะวิจารณใครก็เรื่องของเขาไปไม่เกี่ยวกับเราคุณสราวุธครับทํายังไงจึงจะระ ง, งับความโกรธความน้อยใจกับการกระทําของคนอื่นกับคําพูดของคนอื่นได้ครับเราต้องลดลดความอยากของเราเนี่ย เราอยากให้เขาพูดดีกับเราเขาอยากจะให้เขาทำดีกับเราพอ เ, เขาไม่พูดดีทำดีกับเราเราก็เลยน้วยใจโกรธเขาไม่มาถ้าเราไม่หวังอะไรจากเขาแล้วเราก็จะไม่โกรธไม่น้อยใจพระเจ้าสอนมาให้เราหัดทาใจให้สันโดยินดีตามมีตามเกิดใครเ็าจะดีกับเราก็ได้เขาจะไม่ดีกับเราก็ได้เราก็จะไม่เสียใจได้ทั้งสองรูปบบ นำเงินจากการถูกหวยไปทำบุญจะได้บุญไหมครับได้กว่าจะได้โสดาบันขณะที่เป็นคารวาดอยู่นานไหมครับมันใช้เวลานานไหมครับ อ, อ๋แต่ละคนมันไม่มีอะไรที่จะเปรียบเทียบกันได้บางคนทำทำัพบก็บวันรู้ได้ตอนที่พระเจ้าทรงแสดงธรรมวนาสาราบูชาให้กับพระปัจจวัคคีห้ารูป พอความทมเสร็จหนึ่งในห้าลูกก็บรรลุเป็นพระโสดาบันแต่สีลูกยังไม่บรรลุนั้นมันอยู่ที่อินทรีย์ของแต่ละองค์ว่าใครมีมากน้อยต่างกันอินทรีย์ก็คือมีมสติสมาธิปัญญาเป็นตัวสำคัญบวกด้วยศรัทธากับวิริยะความเพียรถ้ามีอินทรีย์มากแข่กล้ามากความทมปุ๊บก็บรรลุได้เลย ไม่อย่งว่าแต่ขั้นพระโสดาบันเลยบางทีทารุณเปในขั้น้าะได้เลยก็่นี่บางคนก็อยู่กับพระพุทธเจ้าเป็นยี่สิกว่าปีพระ อ, น, อ น, นุนอยู่ของพระพุทธเจ้ามายี่สิบกว่าปีก็ได้แค่พระโสดขั้นโสดาบันไม่ได้ขั้นที่สูงกว่านั้นแต่พอหลังจากที่พระพุทธเจ้าอนิพพานไปพออนุนิยไม่มีภาร ก, กิจที่จะรับใช้พระพุทธเจ้าอ น, อนุนิยก็ได้สามารถปฏิบัติธรรมอย่างเข้มข้นไปหนึ่งสามเดือนท่านก็มารลุปเป็นพระ นั่นมันอยู่ที่เหตุคือการปฏิบัติว่าเข้มข้นไหมสุปฏิบันนมมติโนไมอ่เงี้ยเป็นเป็นเหตุซึ่งแต่ละคนก็มีเหตุนิดไม่เท่ากันทําให้การบรรลุไม่เท่ากั น, น, ก น, ก เ, กนเวลาที่จะบรรลุถึงไม่เท่ากันคุณแม่ใช้ไปซื้อปลาที่ตลาดแม่ค้าขายปลาค่าปลาที่เราไปซื้อตัวเราไปซื้อบาบไหมครับถ้าเขาข่าก่อนที่เราไปซื้อเราไม่ได้ไปสั่งเข า, าเราไม่บาบ แต่ถ้าเราไปชี้แบบว่าเอาปาบ า, า, าตอนนี้นะแล้วพระเขาช่วยฆ่าให้เราอย่างนี้บาตนี่ต้องไปซื้อบาตที่ตายแล้วไม่ไบาตธาตุรู้มีเกิดดับไหมครับธาตุรู้ไม่ใช่จิตใช่ไหมครับใช่จิตก็คือธาตุรู้จิตก็คือผู้รู้เป็นแต่ เ, เราไม่ได้เรียกว่าธรู้เราเรียกว่าจิตรู้ใจอันนี้ก็เป็นธาตุรู้ทำไมธาตุรู้นี้ก็เป็น เพนธาที่ไม่มีเกิดไม่มีดับอยู่มาตลอดเป็นอย่างนี้มาตลอดมีความสามารถอยู่5้าประการมีความรู้สามารถดู้แล้วก็มีสามารถรับรูปเสียงกลิ่นนอนจากร่างกายได้มีความรู้สึกมีความจำได้หมายรู้แล้วก็มีความคิดปุงแต่งนั่นนี่คือสิ่งที่ถ้ารู้สามารถทําได้มีความสามารถทําได้ห้าอย่างนี้กัน ชอบทําทานกับคนยากไร้มากกว่าจะได้จะได้บุญเท่ากับทําบุญที่วัดไหมครับก็ดูที่ความสุขใจเป็นหลักเนี่ยถ้าเราทำแล้วมีความสุขใจนะว่าอันไหนได้มากกว่ากันแล้วก็เราก็ได้บุญมากกว่ากันอารมณ์ง่วงไม่กระปี้กระเป๋าควรใช้กรรมฐานตัวไหนมาแก้ครับกินน้อยนอยกินพอประมาณอดข้าวบ้างก็ได้จะได้หายง่วง เวลากินข้าวรับประกันนั่นก็ง่วงนอนเท่าไหร่นะนอนไม่หลับแต่เวลากินอิ่มๆนีทุกภูมิกลางนี่หนังท้องตึงนี่หนังตาจะเริ่มย่อนคุณเฟรตตีปป้ครับพระโสดาบันรู้ว่ากายไม่ใช่เราพระอนาคามีรู้เกี่ยวกับกายอย่างไรครับดูว่าร่างกายไม่สวยงามเห็นกระเพาะตับไตไส้พุงเห็นอวัยวะต่างๆภายในร่างกายตลอดเวลา มันเหมือนตาเอกเสลยเอามองร่างกายผมก็ทะลุเข้าไปข้างในเลยท่านก็เลยไม่มีกามโดยอัตโนมัติเลยใช่ไหมา่เห็นน่นมันมันเห็นมันจะมีกามขึ้นมาได้ไงท่มอลองดูเลยเวลาหมอผ่าตัดใครม่มีกามคนไข้หรือเปล่าไม่มีผ่าลำไส้ชไลองไปผ่าลาไส้เขาดเปิดท้องผ่าลาไส้ดอต่อให้เป็นนงงามจักรวาลก็เถิดตอนนั้นนม่มีกามอารม์อะ ก็มีการมาว่าต้องรอดูเข้าหายแล้วก็มาแต่งหน้าแต่งหน้ า, นาทาปากแต่งเสื้อผ้ า, าทำเผ้ า, าทำผมอะไรขึ้นมาถึงจะเริ่มมีการอาลมตามมาได้ถ้าเราเป็นน่างกายสวยงามแต่ถ้าเห็นน่างกายเมึงซากศพหรือเห็นว่าอวัยวะตา่ตางๆที่มีอยู่ภายในมันจะเป็นกิดการมาลมขึ้นมาได้อย่างไรอยากทราบอานิสงส์งของการบริจาคโลหิตครับ ก็เป็นการบรจิจาคอย่างหนึ่งนะก็เงินก็ได้ถองก็ได้อะไรก็ได้ที่เป็นทรัพย์สินของเรามันก็ได้ความสุขใจอิ่มใจเหมือนกันสุขมากน้อยมากก็อยู่ที่ทำมากทำน้อยถ้าเราไม่มีเงินเราอยากจะบรจิรจาคเราบริจาครอยเห็นเราก็ได้บุญเหมือนกับเวลาบรจิจาคเงินถ้าสมมติว่าบริรายเห็นเขาเช่นลิ้นหลังพันอย่างเงี้ย เราไม่มีเงินพันแต่เราเบริจาคเราเห็นนิดหนึ่งแล้วก็เหมือนกับเราได้ทําบุญพันอย่างนี้คุณชนินครับเคยลองพิจารณาดูเวทนาทางกายตอนป่วยเวทนาทางกายมีความรู้สึกเจ็บปวดตัวความเจ็บป่วยที่รู้สึกนั้นคืออะไรครับในเมื่อร่างกายมันไม่ใช่ตัวเราครับก็มันเป็นเวทนาเนยมันก็เป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งเป็นสภาวะธรรมอย่าง ขันห้านี้เป็นสภาวะธรรมห้าชนิดด้วยกันนั่งกายก็เป็นสภาวะธรรมอันหนึ่งเวทนาก็คือความรู้สึกเจ็บเรื่มไม่เจ็บนี่ก็เป็นสภาวะธรรมอีกอย่างหนึ่งเหมือนกับสภาวะธรรมเช่นเราเห็นท้องฟ้าเนี่ยมีเมฆก็เป็นสภาวะธรรมอย่างหนึ่งเวลาฝนตกก็ people, เป็นสภาวะธรรมอย่างหนึ่งเวลาฟ้าร้องก็เป็นสภาวะธรรมอย่าง มันไม่มีตัวตวนมันแต่มันเป็นชวะธรรมที่เกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยทาให้ปรากฏขึ้นมาถ้าเรานั่งสมาธิถึงฌานที่สี่แล้วจะต่ อ, อยังไงครับเอ๋อไม่ต่อแล้วล่ะก็อยู่นนันนานๆนอยู่ให้เป็นชั่วโมงให้ได้รักษาให้มันอยู่ให้นานที่สุดเพราะมันเป็นสภาพที่มีความสุขมากที่สุดนั่นแต่เกินมาจะไม่เคยพบกับความสุขแบบนี้มาก่อน พอไดความสแบบนี้นะก็อยติดอกติดใจจะพยายามให้อยู่ในฌานให้นานที่สุดออกมาจากฌานก็พยายามจะกลับเข้าไปใหม่อยู่เรื่อยๆเพราะไม่มีความสุขทางโลกทางรูปเสียงเินเรที่จะสู้ความสุขแบบนี้ได้เราไปเราก็ตัดความอยากที่จะไปหาความสุขทางโลกได้คุณเพิ่มศัก์ครับการจับบรรลุ อ, อรหันต์ทางไหนง่ายที่สุดครับ สุขวิปัสสโกวิชา3ามสะละพินโยหรือปฏิสัพพิปปโตครับมันต้องทานศีลภาวนาศีล ส, สมาธิปัญญาช่วงเข้าพาารรษานี้ตั้งสัจจะจะรักษาศีลให้ครบบริบูรณ์จะสวดมนต์ไหว้พระทุกวันจะให้ทานข้าวบ้างเป็นบ้างโอกาสเวลาจะภาวนาพุโทโธพุธโทโธครั บ, บก็เลยลองทำดูถ้เห็นมีผลมันก็จะตามมา ถ้าไม่มีเหตุผลก็จะไม่ตามมาถ้าไม่ไปทํางานก็จะไม่ได้เงินเดือนใช่ไหมถ้าอยากจะได้เงินเดือนก็ต้องไปทํางานอยาขานงานถ้าขานงานเขาก็ตัดได้ถ้าเป็นรายวานันเขาก็จะตัดรายวันวันไหไม่ทํางานเขาก็ไม่ให้ค่าจ้างอันนี้ก็เหมือนกันเหตุกับผลผลนี้ได้จากการปฏิบัติก็ต้องเกิดจากการปฏิบัติถ้าปฏิบัติมากผลก็จะได้มาปฏิบัติน้อยผลก็จะได้น้อย ทำบุญ20บาทอธิษฐานแผ่ไปทั้งสามแดนโลกาธาตุเป็นการหวังผลมากเกินไปไหมครับเพื่อทําบุญนี่เราทําบุญเพื่อตัวเรามันไม่ได้ทําบุญให้แผ่ไปให้กับคนนั้นคนนี้บุญส่วนใหญ่ที่เราทํานี่จะเป็นของเราบุญที่เราแผ่ให้แบ่งไปให้นี่เป็นบุญอี่นี้เป็นเซี่ยวหนึ่งของบุญที่เราทําไว้ทําเราได้ เห็นใด้ไครได้ใครพูดว่าบนที่เราอุทิศเหมือนกันน้ำที่ตกค้างอยู่ในแก้วเวลาที่เราเทาน้ํำทิ้งไปหมดนะแต่ยังมีน้ําตกค้างอยู่ในแก้วอันนั้นเราเป็นบุญที่เราอุทิศไปให้กับใครก็ตามผู้ที่ลงนามไปแล้วส่วนใหญ่จะเป็นของเราหมด 99% นี้เป็นของเราอีกหนึ่งเปอร์เซ็นเป็นของผู้ของผู้ที่เราอุทิศให้ คุณเปิลครับกามรมาคะพิจารณาละอย่างไรครับและปฏิคะคืออะไรครับกามรมารคะนี่ก็คือความอยากเสพการไงเห็นใครถูกกกถูกใจเราชอบใจเราก็อยากจะร่วมเพศกับเขาเราก็ต้องดูส่วนที่ไม่สวยงามของเขาดูเอวัยวาที่อยู่ภายใต้ผิวหนังเช่นดูโครงกะดูของเขาดูตับไตดูบอดดูในลําไส้อะไรต่างๆนี้ มันก็จะทําให้การมาลาคะหนับไปได้ชนปฏิคฆะนี่มันเป็นผลที่เกิดจากการมีการมาลาคะคือความหมุนหงิดใจเพราะนั้นเรามีการมาลาคะแล้วเราไม่ได้เสกการมเราจะรู้สึกหมุนหงิดใจมันจะหายไปก็ต่อเมื่อเราได้เสกการมเมื่อเราละการมมาลาคะได้เมื่อละการมมาลาคะได้ปฏิคฆะก็จะตามหายไปตามกับการมมาลาคะมาคู่กัน ต้องใช้การพิจารณาสุภาพอยดูส่วนที่ไม่สวยงามของร่างกายจิตนิ่งกับจิตเบาจิตไหนดีกว่าครับก็ดีเท่ากันเพราะมาด้วยกันยิ่งนิ่งมันก็ยิ่งเบาทำอย่างไรจึงจะเลิกสนใจเรื่องของคนอื่นรู้ว่ามันไม่ได้มีประโยชน์กับการปฏิบัติแต่ก็ยิ่งอยากยิงอยากเห็นครับ ก็มันก็เหมือนกันถ้าคุณรู้นะมันก็คุณก็ต้องบังคับตัวของคุณเองก็อาจจะต้องใช้มาตร ก, การลงโทษตัวคุณเองเลยทุกครั้งที่มันยุ่วเขาคนก็ตัดเงินเดือนของคนมาคนใช้เงินเดือนเดือนนี้ใช้หมืนม่นก็ล่อนเดือแค่เก้าพันนี่ส่วนหนึ่งพันนึงก็เอาไปทําบุญนะถ้าลงโทษนี้ต่อไปมันก็อาจจะเริ่มได้เหมือนสมัยที่เราเรียนหนังสือที่โรงเรเีย น, นก็องบังคับให้พูดภาษาอังกฤษถ่าพูดภาษาไทยครู ไดยินข้าับคุณก็จะมาปรับครั้งละหนึ่งบาทเพราะนั่นตอแค่ครั้งสองครั้งนี้ไม่พูดเราภาษาไทยพูดแต่ภาษาญี่ปุ่นกับเพื่อนคนไทยด้วยกันมันต้อมีมาตรการลงโทษตัวเองมากมันถึงจะได้เข็ดนาบอย่างหลวงตาท่านก็มีปัญหาเพราท่านบวชใหม่ใหม่ท่านบอกว่าท่านยังชอบกินข้าวอยู่หลังจากฉันเสร็จล้างบาทเช่นบาทเสร็จยังไม่ทันเสร็จเลยคิ้วกระไรอยากจะกินเองนะ เรานี้มันเป็นกิเลสมันไม่ใช่เป็นความหิวของร่างกายยังต้องต้องทรมาน ก, กิเลสถ้ามันหิวแบบนี้ก็ไม่กินสามวันเราบอกท่านอดข้าวสามวันเลยลงโทษตัวเองพอเราโทษสามวันนี้ท่านต่อไปไม่กล้ากินเลยก่เลสเราต้องมีมาตรการลงโทษกิเลสของเราไม่ใช่ลงโทษตัวเราเหรอกลงโทษกิเลสของเรากิเลสของเราชอบไปยุ่งกับคนเหนื่อยก็ลงโทษมันท่านไหน ตัดเง mm ิ hmm. นเงนเอาเงินทั้ตัดไปทั้งพันเอาเงินพันนี้ไปทําบุญแทนเล็แน่นอนกับอาจารย์ <laughs> ถ้าเราห้ามคนถวายเงินใส่ในบาตรตอนเช้าเราบาตรไหมครับไม่ใช่เรื่องของเราอ่ะถ้าเขาไม่ถามเราไม่ต้องไปห้ามขเขาหรอกถ้าเขาอยากจะรู้เขาถามพระก็ได้ถ้าเขาอยากจะรู้พระจะบอกเขาเองว่าควรหรือไม่ควร สามสามคำถามครับอาจารย์ถ้าเราตัดต้นไม้ทิ้งเพราะบ้านเสียหายซึ่งต้นไม้ไมีชีวิตเราบาปไหมครับมันไม่มีวิญญาณไม่บาปเนาะมีชีวิตแต่ไม่มีวิญญาณต้องมีวิญญาณถึงจะบาปข้อที่สองครับเรากินมังสวิรัตไม่กินเนื้อสัตว์เราได้บุญไหมครับไม่ได้เราะ <c oughs> ข้อที่สามครับเราให้สิ่งของหรือบริจาคเงินแล้วมันนึกเสียดายของหรือเงินทีหลังเราได้บุญหรือเปล่าครับถ้าเสียดายมันก็ไม่ได้บุญนะเพราะกิเลสมันอยากจะได้เงินคืนมาเราทําเพื่อลักิเลสความความลักเงินทองความเสียดายเงินทองความตะหนี่เงินทองแต่พอเราให้ไปแล้วเรากลับอยากจะได้คืนขึ้นมาเสียดายความสุขที่ได้จากการทําบุญก็หายไป ความเสียดายก็กลับมาแทนที่ความทุกข์ที่เกิดจากความเสียดายก็กลับมาแทนที่ช่วยซื้อผลไม้ให้ช้างดีกว่าแทนการใส่บาตรเพราะมองว่ามีคนใส่ล้นแล้วคิดแบบนี้บาตไไม่ครับและผลบุญจะต่างกันไหมครับคือผลบุญที่เกิดจากการเสียงเงินซื้อของให้พระก็ดีให้กับช้างก็ดีก็เท่ากันแต่ ประโยชน์ที่จะได้จากช้างกับประโยชน์ที่ได้จากพระก็ต่างกันทาบุญกับพระพระก็จะได้สอนธรรมะให้กับเราทาบุญกับช้างช้างก็ไม่สามารถสอนธรรมะให้กับเราได้นั lands, ้นก็อยู่ที่ว่าเราต้องการผลตอบแทนจากผู้ที่รับทานจากเราหรือเปล่าถ้าไม่ต้องการก็ทำกับใครก็ได้ทํากับพระก็ได้ทํากับช้างก็ได้ความสุขที่ได้จากการศียสละแบ่งปันก็จะเหมือนกันแต่ถ้าอยากจะได้ประโยชน์จากพระ หรืออยากช้างเราก็ต้องดูว่าเขาทําอะไรให้เราได้บ้างถ้าทําเลี้ยงช้างเราก็ได้เอาช้างมาทํางานให้กับเราได้ทํายกของหนักอะไรได้ลากจูง เ, เกวี่ยอะไรได้ทํำผ้ า, าจะอาจจะทําไม่ได้เพราะผ้าท่านไม่มีแรงยังก็เ้ออยู่ที่ประโยชน์ที่เราต้องการเราต้องการประโยชน์อะไรจากคนที่เราทําด้วยหรือไม่ คุณสุริยาครับปัจจุบันนี้มีบุคคลและญาติพี่น้องที่นับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆแล้วนํามาบูชาแล้วขอโชคขอลาบขอเงินทองเราจะช่วยเขาได้อย่างไรหรือให้ถือว่าสัตว์โลกทั้งหลายล้วนแต่เป็นไปตามกรรมครับก็เป็นเรื่องศรัทธาของเขาเรื่องของความเชื่อของเขาถ้าเขามาปรึกษาเราเราก็บอกไปถ้าเราไม่รู้ถ้าเราไม่รู้เราก็บอกต้องให้เขาไปถามคนที่ผู้รู้ดีกว่าว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้มีจริงหรือไม่เป็นจริงหรือไม่ นั่งสมาธิโดยเอาจิตอยู่กับภาพพระแล้วตั้งอารมณ์ไว้เช่นนั้นควรภาวนาหรือวางอารมณ์อย่างไรครับก็ภาพนั้นเป็นอารมณ์นะให้หลับตาแล้วนึกถึงภาพนั้นให้มันปรากฏขึ้นมาในใจในขณะที่เราหลับตาอย่าลืตาดูดูเพียงแต่เพื่อให้เราจําได้แล้วก็หลับตาแล้วให้ภาพนั้นปรากฏขึ้นมาในใจเราเป็นอารมณ์แทนที่จะดูลมหายใจแทนก็ดูภาพโดยที่ใจเรานึกขึ้นมาใน ใ, นใจของเรา เรียกว่เกษินเ น, นี่ยเป็นการเพ่งเกสินอัญชลีครับเราจะทราบได้อย่างไรครับว่าใครคือพระโสดาบันหรือเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเราปฏิบัติได้ระดับพระโสดาบันแล้วครับเราต้องเป็นโสดาบันก่อนเนี่ยยังไม่รู้โสดาบันเราก็ดูคนไหนก็ดูไม่ดูไม่ออกว่าเขาเป็นหรือไม่เป็นเบื้องต้นเราต้องเป็นโสดาบันเนี่ย เราจะเป็นโซดาบันไดแล้วก็ต้องมองเห็นน่างกายว่าไม่ใช่ตัวเราของเรานั่นเราก็ไม่โกลัตายกลัไม่ไม่ไม่เสียดายน่างกายน่างกายจะแก่จะเจ็บจะตายแล้วก็ไม่เด็อดรอนอย่าง น, นี้เราก็เป็นโซดาบันไดแล้วเราก็ไปดูคนอื่นว่านุ่นเขาเดือดร้อนขเนอน ข, า, เนนขาหน้าทลายเขาเปล่าแล้วก็ยังเดือดร้อนอยู่ก็แสดงว่าเขายังไม่ใช่เป็นโซดาบานันอยากทราบว่าคนที่เกิดมาเป็นพี่น้องกันนี้ทําบุญอะไรกันมาครับ ไม่ทราบเหมือนกันมันไม่ใช่เรื่องของบุญของแต่ละคนมันถึงเวลาที่เขาจะมาเกิดนอกจากาก็คือท้องแม่เป็นที่ที่เขามาเกิดได้เขาก็มาเกิดอาจจะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับเราเลยก็ได้คนที่มาเกิดเป็นมนุษนย์ได้ก็ต้องไปใช้บุญใช้บาปให้ให้มดกําลังก่อนคือบุญก็ไม่มีกําลังที่จะดึงเราไว้ในสวรรค์บาปก็ไม่มีกําลังที่จะดึงเราไว้ในอบายเพราะนั้นเราก็จะมาได้มาเกิดเป็นมนุษนย์ แต่จะไปเกิดที่ไหนท้องไครนี่มันก็แล้วแต่จังหวะโอกาสใครกำลังตั้งท้องอยู่แล้วไม่มีใครไม่มีดวงวิญญาณของใครไปเกาะเรามาพบเข้า ล, ะละ้วเราจะกเากาะเกาะล่างนั่นไปเหมือนกับเวลาที่น้องขับรถหาที่จอดต้นนะแล้วก็ขับไปเรื่อยๆพอเจอช่างว่างตรงไหนแล้วก็เสียบเข้าไปการถวายเทียนพรรษาเป็นบุญประเภทไหนครับก็เป็นการทาทานอย่างหนึ่ง เป็นการเซ็นสละแผ่งปันเข้าของเงินทองสเหตุที่ถวายเทียนกันเพราะสมัยก่อนไม่มีไฟฟ้าเข้าใจไหมต้องใช้เทียนเป็นแสงสว่างก็เลยนิยมถวายแสงสว่างคืวแสงคือเทียนนี้ให้กับวัดแล้วชอบถวายตอนช่วงเข้าพรรษาเพราะช่วงนั้นมีภาพบวชใหม่เยอะมีครับต้องการเทียนมากกว่าปกติ ธรรมานเวลาเข้าพรรษาพักที่มาบุตก็จะเสร็จกันไปแล้วประมาณครึ่งหนึ่งแนบเวลาก่อนเข้าพรรษานี้ก็จะมีความศรัทธาอยากจะมาบุตในช่วงเข้าพรรษาวันเวลาของพักในช่วงเข้าพรรษาก็จะเพิ่มขึ้นสองเท่าสมมติมีแสนหนึ่งในทั่วประเทศพอเข้าพรรษาก็จะมีสองแสนขึ้นมาความต้องการเทียนก็จะมีมากขึ้นก็เลยต้องมีการลงระน ม, ม, มการถวายเทียนในช่วงเข้าพรรษากัน มีคนใกล้ชิดขัดขวางการฟังธรรมนั่งสมาธิเราจะทําอย่างไรได้ครับแล้วก็หลบไปเถอะอย่าไปอยู่ใกล้เขาเวลาจะฟังธรรมแล้วก็ไปที่ที่ก็ไม่ไม่เห็นเราไม่รู้ว่าเราอยู่ตรงไหนคุณวิตรีครับขอคํแาแนะนําครับจะมองยังไงให้ทะลุถึงอสุภะได้ครับก็ดูบ่อยๆตอนเขาเปิดหนังสือดูก่อนมาไปดูของจริงได้เลย ไปขอดูมกวยญาบาลที่เวลานักศึกษาแพทยเ์เขาเขาดูการผ่าศพหนึ่งก็ไปขอร่วมชมได้แพทย์ก็เปิดโอกาสให้ถ่ายรูปหน้าก็ถ่ายมาเก็บไว้ในเครื่องก็ได้แล้วก็ค่อยไปดูเมื่อไเมืเ่ไม่ให้หลงไม่ให้เหนแล้เ ด, เดี๋ยวนี้อาจจะค้นหาในเน็ตก็ได้หนังสือธรรมะนิยมเสื้ธรรมะของหลวงตามาหาบุรุษก็มีที่มีภาพอสุภะเยอะแยะตชื่อว่า กายกตาน่าจะกาย ก, ากาาตาสติมักนเสื่อนี้ยังมีภาพถ่ายของซากศาพเยอะโครงกระดูกอะไรอะไรต่างๆก็สามารถไปเปิดดูด้ดาวโหลดได้สมัยก่อนเป็นหมอนุ่มนุ่มก็ผมก็ชอบไปดูศพกับอาจารย์เวลา ม, มีคนตายก็อชอบเข้าไปดูรู้สึกมันสลดสังเวชดีออาามันช่วยทำให้จิตเรามีสติมีปัญญาเกิดขึ้น การที่เราพยายามบริการพุโทโธในทุกๆอิรยาบถอันนี้จะถือว่าเป็นการเจริญสติปัฏฐานหรือเปล่าครับก็เป็นการเจริญสติสติปัฏฐานนี่มีมีก็ ม, มีหลายขั้นในระดับเหมือนกันขั้นได้ก็ให้เจริญสติแล้ขั้นที่สองก็ให้ไปนั่งสมาธิให้จิตรวมเป็นเป็นอัปปนาสมาธิแลขั้นที่สามก็ให้พิจารณาปัญญามันมีสามขั้นเหมือนกันในในสติปัฏฐานนี่ แต่ขั้นแรกก็ต้องเจริญสติก่อนเวลการพุโทโธเรื่องการเฝ้าดูการเคลื่อนไหนวของร่างกายไปให้มีสติให้ใจไม่ลอยไปลอยมาให้ตั้งอยู่ในปัจจุบันก่อนแล้วก็มานั่งสมาธิดูหายใจก็ได้พุโทโธก็ได้แล้วก็จิตจะรวมเป็นอัปปนาสมาธิหลังจากได้อัปนาสมาธิชานาญในสมาธิแล้วมันเราออกจากสมาธิมา ก, ก็ให้ไปศึกษา ธรรมชาติของกายของเมตนาและของจิตตามลาดับอันนี้ก็เป็นขั้นปัญญาเพื่อปล่อยวางกลับขอเรียนโอกาสถามครับขันทํางานไปตามธรรมชาติของมันแล้วมีเราตรงไหนครับเพราะมีเราจึงมีกิเลสมีความอยากใช่ไหมครับถ้ามันไม่มีเราไปเราไปว่ามันมีเราไปเรียกว่ามันเป็นเราเป็นคนโบราณที่โลกมันกลมอ่ะแต่เขาไปเรียกว่าโลกมันแบน เพราะความเชื่อเพราะความเห็นต่อมาแล้วต้องมีคนมาศึกษามาเปรียบเทียบให้ดูว่าโลกมันกลมนะโลกมันมมาบนอะไรนี้ก็ไม่มีใครสงสัยว่าโลกกลมหรือโลกแบนถ้ามีคนศึกษาต้องกันห้ามากๆต่อไปก็จะไม่มีใครสงสัยว่ า, านักการที่เป็นตัวเราหรือไม่เนื่งจากไม่มีใครสนใจมาศึกษากันแค่นั้นเองต่อไปถ้าทุกคนเป็นโสานามันหมดทั่วโลกนี้มันก็ไม่มีใครต้องมาร้องห่มร้องไห้กัน ไม่ต้องมาทุกมากังวลกับเรื่องของร่างกายกันแต่ไม่มาศึกษากันเองยิ่งปฏิบัติสมาธิยิ่งเจอมาร์กานแกล้งมากมายจะต้องทําอย่างไรครับมันเป็นเรื่องธรรมนาเวาเราทําความดีตัวที่มาการแกล้งเราก็คือกิเลสของเรานั่นแหละที่คอยขัดขวางเราไม่ให้ทําความดีไม่ใช่คนอื่นรอคนอื่นเขเพียงแต่จะมากระตุน้นกิเลสเรา แทนว่าเราจะเลิกกินเหล้าก็ไปเห็นคนเขากินเนนหล้าขึ้นมาอย่างนี้แต่คนกินเหล้าเขากินของเขาอยู่ตามปกติแล้วแต่เราไปเห็นเนาะพอเห็นเนาะมันก็เกิดความอยากดื่มขึ้นมาเองตัวกิเลสทั้งนั้นนตัวความอยากดื่มที่มันเกิดจากการไปเห็นคนอื่นคนดื่มหรือบางทีไม่มีคนดื่มไม่เห็นคนดื่มก็ ค, มคิดตัวเองก็ได้ <laughs> คิดว่าเคยดื่มแล้วเดี๋ยวก็อยากดื่มขึ้นมาเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะปฏิบัติธรรมนี่เราจะมีกิเลสมาคอยขัดขวางอยู่ตลอดเวลา ต้องถือว่าเป็นเรื่องปกติแล้ก็หาหามาตรการช่วกับกิเลสอย่างที่คอยสอนอย่างเมื่อกี้พวกว่ามันต้องลงโทษกิเลสเนี่ยนอยาะทำอย่างนี้คุณจะไม่ให้มันทํางนี้อดข้าวสามวันอย่างนี้อยากกินข้าวไม่ให้มันกินสามวันทำไมมันก็ไม่กล้าคุณประชาครับชาวบ้านทั่วไปสนใจไปวัดนานๆครั้งความรู้ธรรมะน้อยๆ ควรอธิษฐานเพื่อปฏิบัติตั้งเป้าหมายชีวิตเบื้องต้นประมาณไหนดีครับเช่นถือศีลห้าให้ดีเกิดใหม่เป็นมนุษย์เป็นโสดาบานันพ้นทุกข์เป็นอรหรันต์ไม่ทํำไม่ตั้งให้มันทําทั้งสามอย่างเลยทำบุญทําทานทุกวันรักษาศีลห้าตลอดชีวิตแล้วก็นั่งสมาธิเช้าเย็นวันละชั่วโมงสองชั่วโมงท่านี่คือเป็นจุดเริ่มต้นของการกของการปฏิบัติแล้วต่อไปก็ต้องเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งปฏิบัติเต็มร้อยเลย อานิสงของการดูแลพ่อแม่เป็นอย่างไรครับต่อไปก็ลูกๆ ก, ก็จะมาดูแลเราเลยถ้าเราทําเป็นตัวอย่างเราเล่นดูพ่อแม่ลูกเขาเห็นเราเล่นดูพ่อแม่พอเราแก่ลูกเขาก็จะมาเล่นดูเราถ้าเราไม่เล่งดูพ่อแม่ลูกมันก็จะเรียนจากเราพอเราแก่มันก็มาเล่นดูเราคุณโยโย่ครับ เวลาได้เข้าหาครูบาอาจารย์ได้รับการอบรมสั่งสอนก็จะมีเรี่ยวแรงมีกำลังแต่พอห่างหายไปสักพักจะเริ่มแผ่วตลอดเลยครับควรทำอย่างไรดีครับกกลับไปบ่อยๆนี่ตรกการมันก็ตอบง่ายๆอยู่ใกล้ท่านนั้นก็มีกำลังก็ไปอยู่ใกล้ๆท่านดาน น, า น, นี่ไปอยู่ท่านใดก็ได้ถ้าท่านรับนี่ เวลาที่เราแผ่เมตตาและอุทิศบุญกุศลให้กับสัตว์ทั้งหลาย ท, ทั้งที่มีชีวิตอยู่และตกล่วงไปแล้วทุกตนมีผลยังไงครับไม่มีผลยังไงหรอกก็คือความจริงเขาไม่ได้ให้แผ่ไปแบบครอบจกักรวาลหรอก ท, ทําอุทิศให้กับคนในคนอย่างที่เราเรามีความผูกพันด้วยก็พอส่วนคนอื่นเราไม่รู้เรื่องเราจะเอาไปแผ่ไปกระจายแบบนั้น เงินร้อยบาทไปแ บ, บ่งคนบ้านหนึ่งจะได้คนละกี่ตังค์กัก็เอาแค่คนเดียวนึ่ะเขาจะได้เต็มร้อยึลยได้น้อยบาทไปเลยจนคนอื่นก็เป็นหน้าที่ของญาติพี่น้องของเขาที่จะมาดูแลกันเองทํางานบริการด้านการพยาบาลได้บุญไหมครับถ้าไม่ถ้าไม่เอาเงินเดือนก็ได้บุญ <laughs> ถ้าเอาเงินเดือนก็ยังถือว่าเป็นการได้เปลี่ยนเป็นการซื้อขาอย ยกเว้นว่าถ้าเราลดว่าเอเอถ้าเราทําที่นี่เงินได้ขึ้นเดียวถ้าเราไปทำอีกที่เราได้สงเท่าอย่างเี้วเรายอมทําที่นี่ต่อยังก็อาจจะได้หมุนก็ได้ว่าเรายอมเสียสละรายได้ที่สูงกว่าเพื่อที่เอารายได้ที่น้อยกว่านี้เพราะถือว่าจะได้ช่วยสงเคราะห์คนที่เขายากจนเพราะถ้าไม่มีหมออยู่ที่โรงพยาบาลรักษาคนยากจนต่อไปคนยากจนจะหาหมอที่ไหนรักษา หมอจะไปเอาแต่โรงพยาบาลที่ให้เงินเดือนสูงๆก็จะมีต่อไปก็จะมีแต่คนโดยที่จะไปสามารถไปรักษาพยาบาลได้คนจนก็ยังไม่มีที่รักษาพยาบาลและมีน้อยเห็นหมอที่ทํางานให้กับโรงพยาบาลรัฐนี่ถือว่าได้บุญถ้าเปรียบเทียบกับหมอที่ไปทํากับโรงพยาบาลเอกชนก็เราได้ต่างกันหลายเท่าเลยใช่ไหมครับหมอต่างกันมากเลครับแาจารยนั่นแหละถ้าอย่างนั้นก็ได้บุญ คุณอาิสาครับกายไม่ใช่เราแล้วจิตเป็นเราหรือเปล่าครับแล้วต่างจากผู้รู้อย่างไรครับจิตก็ไม่ใช่เราจิตก็เป็นผู้รู้เป็นตัวรู้เป็น ธ, ธรรมชาติที่รู้อย่างมีความสามารถที่จะรู้สามารถที่จะคิดสามารถที่จะจำได้นี่คือคือคือจิตนึกท่านรู้ไม่ก็มันก็ไม่มีตัวตนมันมันมันก็เป็นสภาวะธรรมรือเป็นธรรมชาติอย่าง ดูลมแล้วจะวางลมจะทำอย่างไรครับไม่วางดูเฉยเฉยไม่ต้องไปวางลมดูเฉยเฉดูเพื่อไม่ให้ใจลอยไปลอยมาไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้อยู่กับลมไปอยู่ที่จุดเดียวจุดที่ลมสัมผัสกับร่างกายเวลาเข้าออกคือบริเวณปลายจมกูกเนื้อเหนียวริมฝีปากขึ้นมาให้ดูตรงจุดนั้นอย่างเดียวเพื่อให้ใจนิ่งให้ใจสงบ คุณสุริยาครับการบูชาพระพุทธรูปที่บ้านของตัวเองตัวแทนของพระพุทธเจ้าเราจําเป็นต้องถวายน้ําอาหารหรือดอกไม้ไหมครับไม่จําเป็นอ่ะไม่จําเป็นต้องมีพระพุทธเจ้าเลยพระพุทธเจ้าไม่เคยบอกว่าพระพุทธรูปเป็นตัวแทนของพระองค์พระพุทธเจ้าบอกธรรมะคําสอนต่างคตที่เป็นตัวแทนของพระองค์ผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตฉะนั้นต้องพระพุทธเจ้าต้องการให้เราบูชาด้วยการปฏิบัติบูชา อันนี้หนหละเป็นบูชาพระพุทธเจ้าที่ถูกต้องผู้ใ ด, ดที่ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมพูกนั้นนหละคือผู้บูชารเราตถาคตนี่คือกาพูดของพระพุทธเจ้าถ้าอยากจะบูชาพระพุทธเจ้าก็บูชาพระธรรมการบูชาพระธรรมก็ต้องบูชาด้วยการปฏิบัติการฟังธรรมะได้บุญหรือเปล่าครับ ถ้วันนี้พุ่งเทศนะเราฟังธรรมะได้บุญหรือไม่ได้บุญก็มีฟังอยู่สองแบบฟังแบบได้บุญกับฟังแบบไม่ได้บุญฟังแบบได้บุญก็ฟังแบบเน้นกับแกงฟังแบบไม่ได้บุญก็ฟังแบบทับพีในหม้ อ, อกแกงทับพีในห ม, ม้อแกงนี่อยู่อยู่นานเท่าไหร่ก็ไม่รู้ว่าแกงนั้นเป็นแกงอะไรใช่ไหมแต่ถ้าฟังแบบเน้นกับแกงพอลดฉงแกงมาสัมผัสกับเน้นเพีงหยดสองหยดก็จะรู้ทันทีว่าเป็นแกงชนิดไหน ยังเผ็นดหรือแกงจืดหรือแกงหวานงัจะถ้าจะฟังทำให้ได้ให้ได้บุญก็ต้องฟังแบบเร่ยนจบแกงก็คือต้องรู้เรื่องเรื่องที่เรากำลังฟังอยู่แล้วเกิดความเข้าใจเกิดปัญญาขึ้นมาที่ถึงจะได้บุญและการที่จะฟังทำแบบนี้ได้ก็ต้องฟังด้วยกายวาจาใจที่ที่นื่งสงบนั่นเองเร่างกายต้องไม่เคลื่อนไหวไม่ทําอะไรวาจาต้องไม่พูดคุยกัน ใจก็ไม่ไปคิดปรุงแต่งทางเรื่องราวต่างๆจดจ่ออยู่กับธรรมที่เราได้ยินและพิจารณาตามอย่างนี้ก็จะไดะ้ก็จะได้เกิดความรู้เกิดความเข้าใจขึ้นมาอาจจะบรรลุธรรมในขณะที่ฟังเลยก็ได้อย่างเช่นพระโสดาบันพระอัญญาโกฏัญญานั่นฟังด้วยกายวาจาใจที่สงบอย่างนี้เ ร, เรียกว่าฟังด้วยแบบเล่นจบแก่ไม่ใช่ฟังแบบทับเพียในว่าแก่ถ้าฟังแบบทับเพียในว่าแก่ก็คือผัด ทำกับข้าวไปก็เปิดฟังธรรมะไปด้วยอ่นหมูอ่านอะไไปอ่านผักไปผักไปชิมไปแล้วก็ฟังไปยังฟังไม่ค่อยรู้เรื่องฟังอะไรบ้างคุณเทพทักษะครับบางครั้งเวลามาพิจารณาเรื่องจิตแล้วรู้สึกอึดอัดหรือปวดศีรษะบางครั้งก็หลับไปข้อนี้เกิดจากกําลังสติไม่พอหรือไม่ครับและควรแก้ไขอย่างไรครับใช่ยังไม่ถึงเวลาที่จะไปขั้นพิจารณา ต้องต้นสร้างเครื่องมือก่อน ก, นก็คือสติสมาธิให้ได้ก่อนเพือ่อจะมีกําลังที่จะพิจารณารรมต่ตางๆได้ไทยชีวิตโคก ร, ระบือที่ลงฆ่าสัตว์สามารถที่จะไปต่อราคาได้ไหมครับไม่ได้ถ้าเขาจะถ้าเขาจะให้ต่อก็ต่อได้แต่ไม่ใช่ต่อแล้วพอไม่ได้รนะาคาก็ไม่ทําก็ไม่ได้นะ ถ, <laughs> ถ้าแล้วเขาจะเอาเท่าไหร่ต่อได้เท่าไห ร, ไไหร่ก็ต้องจ่ายเท่านั้น เพาป้าหมายไม่ได้อยู่ที่การประหยัดเงินทองเป้าหมายก็คือช่วยชีวิตของเขาเห็งแต่ว่าเราอาจจะมีโอกาสที่จะสามารถถ่ายได้หลายชีวิตถ้าเราลดถ้าเขาลดราคาลงลรวก็ต่อราคาเพื่อเพิ่มชีวิตที่เราจะได้ช่วยเหลือต่อไปไม่ใช่ต่อราคาแล้วพอไม่ได้ราคาที่เราต้องการก็เงินไม่ถ่ายชีวิตนี้ก็ไม่ได้บุญได้เงินแต่ไม่ได้บุญ คุณประพัฒน์สอนครับในสวรรค์เทวดามีตำแหน่งและยังคงมีภาระหน้าที่ต้องทำตามตำแหน่งนั้นๆไหมครับเช่นตำแหน่งพระสยามเทวาลีดาพยายมราชประอินเป็นต้นครับเราไม่รู้นะเราก็จะตอสวรรค์ก็คือเวลาที่เรานอนหลับเราฝันดีอันนั้นก็จะเป็นสวรรค์งั้นนอกแต่เราจะฝันเรื่องอะไรฝันเรื่องภยายมราชภยภยอะไรก็แล้วแต่เราไม่มันก็จะอยู่ในความฝันของเราไป คนมักโกรธแก้อย่างไรครับอย่าไปอยากมากเกินไปยินมีตามมีตามเกิดแล้จะไม่ค่อยโกรธใครที่โกรธเพราะอยากให้ก็เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้อยากให้เขาทาอย่างนั้นทําอย่างนี้แล้ว อ, อยากจะให้อากาศไม่ร้อนมางอยากจะให้ฝนไม่ตกบ้างอยากอะไรความอยากต่างๆเหล่านี้มันจะทําให้เราโกรธง่ายเวลาเราไม่ได้ตั้งใจอยากคุณเปิ้ลครับ กิเลสด้านการกินอาหารต้องพิจารณาอย่างไรครับอถ้าไม่ต้องการกินอาหารมากก็คิดถึงอาหารเวลาที่มันเข้าไปในท้องอันนี้ต่างๆที่เรากินนี่มันจะต้องเข้าไปรวมกันในท้องใช่ไหมงั้นเพื่อเราต้องการแก้กิเลสเราก็ต้องเอาอาหารที่ก่อนจะเข้าไปในท้องนี่รวมในชามไว้ก่อนแล้วคุกเหมือนอาหารหมาอย่างนี้เพรเดี๋ยวต่อไปมันก็ต้องเข้าไปในท้องแล้วต้องคลุกอยู่ในท้องอยู่ดี แล้วก็คุกในชาบก่อนเองแล้วก็จะกินถ้ากินแบบนี้แนละ้วกิเลสจะไม่ค่อยเกล้าออมาเท่าไหร่กินไม่เลือกกินอะไรก็ได้รวมกันเข้าไปของคาวของหวานของเค็มของจืดอะไรก็รวมเข้าไปในชามันเดียวกันแล้วก็คุกคนมันเหมือนกับอาหารสนนักแล้วค่อยตัดกินเข้าไปที่เรียกว่าพระฉันได้บากัน่าบางรูปทั้งฉันแบบนี้เพื่อเพื่อแก้กิเลสเพราะกิเลสชอบจู้จี้จุกจิก ชอบเลือกอาหารชอบกินอย่างนั้นไม่ได้กินอย่างนี้พอไปเกิดชอบแล้วไม่ได้กินวันนั้นก็กินอาหารแล้วก็ไม่มีความสุขบางทีก็กินไม่ลงต้องแก้กินเห ล, ล, ล, ลืด้วยการพิจารณาว่าอาหารทั้งหมดที่กินนี้เดี๋ยวมันก็ต้องลงลงไปในท้องต้องไปรวมกันอยู่ในท้องอยู่ดีแล้วสภาพที่อาหารที่อยู่ในท้องมันก็ไม่น่ากินแต่มันก็อยู่ได้นถ้าเราต้องการแก้ปัญหาเรื่องกินเหลือเรื่องการเลือกกินอาหารชนิดต่างๆก็อาหารที่เราได้มาเนี่ยมาคุกกัน ในชาเมื่อว่ากินเั้าไปกินเพื่ออยู่ไม่ได้อยู่เพื่อกินกินเพื่อดับความหิวกินแบบกินยาเวลากินยาเรามันก็เลือกว่าต้องยาต้องมีรูปหน้าลักษณะอย่างไรใช่ไหมต้องเม็ดกลมเม็ดเดียวหรือเป็นแคปซูลหรือไม่หมอให้ยาไงมันก็เอาใส่ปากกินน้ำเข้าไปกินเข้าไปให้มันเข้าไปในร่างกายกินอาหารเพื่อแกลเซียก็ต้องกินแบบเนี้ย กินไปเข้าไปไม่ได้กินเพื่อรสนิชชาไม่ได้กินเพื่อความเอ็น้ำำําสําราญใจกินเพื่อดับความหิวเป็นยาอย่างหนึ่ง น, นั่งสมาธิแล้วจิตตกหลุมรู้สึกกลัวควรจะวางจิตอย่างไรถึงจะผ่านตรงนี้ไปได้ครับเมื่อจิตเฉยๆให้มันอะไรจะเกิดขึ้นก็ให้รู้เฉยๆไปแล้วมันจะผ่านไปได้ถ้าไม่เฉยก็พุโทโธพุโทโธไป คุณสัมพันธ์ครับเราควรเปิดใจฟังการสอนธรรมะจากบุคคลธรรมดาได้หรือไม่ครับเนื่องจากมีพระท่านแนะนำให้ฟังแต่ผมไม่มั่นใจในการสอนผมควรทำอย่างไรครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับศรัทธาความเชื่อของแต่ละบุคคลถ้าเราเชื่อบุคคลนี้มีธรรมะสอนให้เราได้จะเป็นฆราวาก็ได้จะเป็นพระก็ได้ไม่สาคัญว่าอยู่ที่ว่าเป็นพระหรือคปราวะ สำคัญอยู่ที่ว่าเขามีความรู้วิชาที่เราต้องการเรียนรู้จักเขาหรือไม่แล้วก็สามารถสอนให้เราบรรลุทำได้จะเป็นคราวาสก็ได้เป็นพระก็ได้อันนี้ก็ขึ้นอยู่บบกับศรัทธาของเราที่เราจะเลือกเองบางครั้งมีความรู้สึกกลัวตายต้องทำจิตใจยังไงครับ ถ้าเกิดความกลัตายขึ้นมาก็ขั้นตอนการทาใจให้สงบก่อนเช่ใช่สวดมนต์ไปมนก์รำพุโทโธธรรมโมสามโคไปก็ได้พอให้ใจสงบให้เรื่อมเริ่มงการตายไปพอจิตสงบแล้วถ้าอยากจะแก้ปัญหาเรื่องความกลัวตายก็สอนความจริงให้กับใจว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราเร่างกายไม่เที่ยงมันจะต้องเกิดแก่แล้วต้องเจ็บต้องตายสอนมันไปอย่างนี้ไปเรื่อย ถ้าใจที่สงบแล้วจะไม่กลัวเวลาฟังรับความจริงได้แต่ถ้าใจยังไม่สงบนี่ไปสอนความจริงไปสอนเรื่องความตายมันจะกลัวขึ้นมาไม่ยังสอนไม่ได้ต้องทําใจให้สงบก่อนต้องสวดมนต์ไปก่อนหรือ น, นั่งสมาธิไปก่อนทําใจให้นิ่งให้สงบก่อนแล้วค่อยมนสนนาสอนใจสอนความจริงของร่างกายว่าร่างกายไม่เที่ยงร่างกายไม่ใช่ตัวเราของเราแล้วต่อไปเราก็จะไม่กลัวความตาย คุณเบิร์ดครับถ้าต้องการรักษาศีลโดยไม่ได้สมาทานศีลก่อนทำได้ไหมครับก็ต้องมีความตั้งใจก่อนนถ้าเราต้องการความต้องการนี้ก็คือการสมาทานนะไม่ต้องไปสมาทานศีลกับพระไม่ต้องไปสมาทานศีลกับพระพุทธรูปเพียงแต่บอกตัวเราเองวันนี้จะรักษาศีลก็จบเลย ว, วันนี้จะไม่ดื่นสุลานะแค่นี้ก็จบเลย เาเต็มเวลาเพื่อมาเชิญไปดื่มชาลาก็ต้องไม่ดื่มไม่ใช่เปลี่ยนใจถ้าเปลี่ยนใจก็แสดงว่าศีลขาดไม่ได้รักษาศีลคุณนิวครับชาวต่างชาติที่ท่านมาบวชตามวัดป่าหลายสิบปีแล้วไม่สึกเลยแสดงว่าท่านเห็นธรรมแล้วใช่ไหมครับ ก็ต้องไปถามท่านอยู ian, ่แ <Labor> ต <ator il fi> like ่ละคนการบวชนี่มันอย่างที่บอกว่าบวชแบบทัพีในหม้อแก่หรือบวชแบบเล่นกับแกงก็ได้ถ้าเป็นเล่นกับแกงก็น่าจะมนุษยธรรมเห็นธรรมแล้วแต่ถ้าบวชไปเพราะว่าเคยชินอยู่กับการบวชแต่ไม่มีการมีดวงตาเห็นธรรมก็ได้ชอบอยู่แบบแบบแบบนักบวชแต่ยังไม่ได้ปฏิบัติถึงขั้นที่จะมีดวงตาเห็นธรรมก็มี เพราะฉะนั้นมันต้องต้องไ้คุยกับท่านดูว่าท่านมีธรรมะสอนเราหรือไม่เวลานั่งสมาธิแล้วรู้สึกดีรู้สึกสบายแบบนี้เรียกว่าติดสุขได้ไหมครับได้การติดสุขแบบนี้ไม่เป็นโทษเป็นภายแต่ย ตอนนี้ลูกเห็นตัวรู้ที่คอยมองดูจิตวิ่งไปวิ่งมาเห็นการเกิดดับรู้สึกว่าเพลินในการมองดูการเกิดดับแบบนี้ควรทำอย่างไรต่อไปครับควรปล่อยวางเวลามันเกิดก็อย่าเป็นดีใจเวลามันดับก็อย่าไปเสียใจให้รู้เฉยๆไปแล้วไม่ใช่อยาไดูแต่สิ่งที่อยู่ในจิตเท่านั้นต้องดูในสิ่งที่เรารักเราชอบด้วยเช่นลาบยอธฉลสนดูเวลามันเกิด เดี๋ยวสักวันมันก็จะต้องมีการดับไปมีเจริญก็ต้องมีเสื่อมไปอย่าไปดูแต่เรื่อว่าเราที่ไม่ไม่ไมค่อยมีผลกระทบต่อความรู้สึกของเราถ้าเราไม่มองสิ่งที่เกิดดับที่มีความรู้สึกที่กระทบกับความรู้สึกกับเราเช่นดูนั่งกายเราว่านั่งกายเราก็เกิดแล้วเดี๋ยวก็ต้องดับนะต้องดูซิว่าเราใจเราเฉยได้หัือไม่ได้ต้องดูทุกอย่างที่เรามาเกี่ยวข้องด้วย โดยเฉพาะเรื่องที่เราสิ่งที่เรารักเราชอบที่เราห่วงเนี่ยต้องดูว่ามันวันวนึ่งก็จะต้องมีการดับนะอันนี้มันเกิดแล้วเดี่ยมันก็ต้องดับเราเราเฉยได้ไ้ยกับการดับของมันอันนี้คือข้อโจทย์เป็นโจทย์เป็นคาถามที่เราต้องตอบตัวเราเองต่อไปคนป่วยอยากนั่งสมาธิครับแต่นั่งไม่ได้ใช้นอนได้ไหมครับได้ถ้าไม่หลับนะถ้าหลับก็จะไม่ได้สมาธิ เห็นตัวเราในปัจจุบันในปัจจุบันไปเรื่อยๆถูกต้องหรือเปล่าครับไม่ทราบว่าเห็นตัวเรานี่เห็นยังไงถ้าให้ดูร่างกายตลอดเวลาไม่ให้ใจลอยไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็ถูกต้องแต่เห็นตัวเรานี่ไม่ทราบหมายความว่าเห็นเลยคุณนิชาครับ แม่ให้ญาติยืมเงินหลายแสนบาทและคนรอบข้างหลายคนเขาเหนียวหนี้ไม่ยอมจ่ายคืนดิฉันอยากปกป้องแม่แต่ทำไม่ได้แม่ให้เขายืมเองไม่มีสัญญากู้ยืมต้องวางใจอย่างไรครับคิดว่าเป็นการทําบุญของแม่ไปก็แล้วกันถ้าแม่ไม่หวังเอาคืนน่าก็จะได้บุญถ้าหวังอยากคืนน่าก็จะได้ได้ความทุกข์ใจกลับมาเห็นเวลาให้ยืมเงินใครแล้วต้องคิดว่าเป็นการทําบุญไปเขาจะคืนก็ได้ไม่คืนก็ได้ เราไม่ว่าไม่สนใจอย่างนี้ก็จะมีความสุขใจสบายใจผิดศีลข้อสี่บาปมากไหมครับศีลนี่มันหนักมนหนักมากนี่มันไล่าจากข้อห้ามาข้อห้านี่เบาที่สุดเพะยังไม่ได้ไปทำบาปเพียงแต่เดือรอนตอเดืดร้นแล้วมา ก, ก็อาจจะไปทำบาปพูดจาหยาบคายก็เป็นศีลข้อที่สี่ แล้วก็อาจจะไปประพืติผิดประเพณีเวลาเห็นใครชอบใครขึ้นมาไม่สนใจว่าเป็นลูกใครสามีใครภรรยาใครก็จะผิดสินข้อที่สามแล้วก็ไปรับทรัพย์ต่อไปรับถึงไปฆ่าหนักมาวันไล่ขึ้นมานำนำสินจากจากจากสินมากไปสู่ข้อมากไปสู่ข้อข้อข้อน้อยข้อข้อหนึ่งเป็นหลับที่สุดการฆ่าสัพย์เพราะว่าการฆ่าชีวิตนี้ชีวิตมีคุณค่าราคามากที่สุดใช่ไหม เรามันก็เอาซัพย์ของผู้อื่นเรามันก็ไปยืมกับสามีภรรยาของผู้อื่นเรามาก็ไปโกหกแบบเงนคนนั้นคนนี้มันหนักเบาต่างกันคุณพลอยครับฝันร้ายบ่อยมากสวดมนต์ก็ไม่หายควรแก้อย่างไรครับเราไมนไม่หายเรามันเป็นเป็นเพราะเราทำบาปมามากวิธีการเราทำทำมนตเยอะ ถ้าต่อไปบุญจะมีกำลังที่ไปต้านบาปได้แล้วเราอา จ, จะได้หลับฝันดีจากบุญที่เราทำก็ได้ทำใจที่ลูกสาวเสียไปไม่ได้เลยครับทำอย่างไรดีครับหยุดคิดถึงลูกสาวอยู่คิดถึงความตายของเขาเวลาคิดว่าทำให้ ใ, ใจไม่สบายก็อย่าไปคิดถึงเขาทำใจให้สงบถ้าทำใจให้สงบได้แล้ไป ม, มองความจริงมก่กเขาจะไม่กลับมาแล้ว เขาไปแล้วไม่มีวันกลับไอญยานั่นเขา ก, กลับมาก็จะทำให้เราเศร้าใจเสียใจบ่ายเขาไปเถอะคุณประพัดสอนครับสีนข้อสี่หมายถึงห้ามพูดโกหกและในกรณีพูดสออเสียดนินทาว่าร้ายพูดหยาบถือว่าผิดข้อนี้ด้วยไหมครับไม่ผิดเรา อ, อันนี้เป็นสีนชัสีละเอียดไว้ให้สำหรับพวกนักที่เป็นนักบวช เป็นแม่ชีเป็นเพกโซเป็นส ม, มนเ็รในแม่พูดเป็นสินสินที่ละเอียดขึ้นไปสนำหรั บ, บ น, นาาักบวชตลอดคารวาผู้เคงเมืองแม้ว่าจะเป็นสินหน้าสินแปดก็คือไม่ให้พูดปดเนั้นเองเวลามีความทุกข์จะร้องไห้ตลอดเลยครับแต่ต้องแก้ไขอย่างไรครับก็หยุดความทุกข์นีด้วยการภาวนา ด้วยการบริการพุทธะพุโทโธพุโทโธทําใจให้สบงบพอใจสงบความทุกข์หายไปก็ไม่ต้องร้องไหยิ้มได้เวลาความทุกข์หายไปแล้วก็จะเกิดความสุดจขึ้นมาก็สามารถที่จะ ย, ยิ้มได้ต้องต้องัดภาวนาต้องทําตั้งแต่ใ น, นตอนที่ยังไม่ทุกข์เพราะถ้าไปทำตอนที่ทุกข์หมดงานกจะไม่ทันการมต้องซ้อมไว้ก่อนเตรียมการภาวนา น, นี่ก็เป็นเหมือนกับเตรียมเครื่องดับดับไฟไว้ในบ้าน เวลาที่มีไฟลุกขึ้นมาเราจะได้เอาใช้เครื่องดับไฟมาดับไ่นทันทีแต่ถ้าเราไม่มีเครื่องดับไฟเวลาเกิดไฟไหม้เราก็จะไม่มีเครื่องดับไฟดับจะไปหาว่าต้องก็ไม่ทัดการานั่นฝึกภาวนาฝึกทําใจให้สงบอยู่บ่อยๆให้มันชานาญพอเราเวลาเกิดความทุกข์ใจขึ้นมนาะปั๊บเราก็เข้าสมาธิไปเลยภาวนาพุโทโธพุโทโธไปรับเดียวความทุกข์ใจก็จะหายไป บุญชิดชนกครับเราทำบุญแล้วไม่ได้อธิษฐานอะไรเลยได้บุญไหมครับได้การทำบุญนี่เป็นเหตุผลที่ได้ก็คือความอิ่มใจสุขใจตายไปก็ได้ไปสวรรค์อันนี้เป็นผลที่เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติแผ่เมตตาให้กับโรคภัยไข้เจ็บของตัวเองได้ไหมครับไม่ได้หรอกมันไม่มีชีวิตมันไม่ใช่เป็นวิญญาณ การแผ่เมตตานี้ก็คือการเป็นมิตรกับผู้ที่มีมีวิญญาณเพราะวิญญาณนี้เราจะเป็นผู้ที่จะมาทําร้ายเร า, าจองเวรจองกรรมกับเราได้ถ้าเราไปทไําร้ายเขาถ้าเราเป็นมิตรกับเขาเขาก็จะไม่มาทําร้ายเราการแผ่เมตตาก็คือการสร้างมบุภาพให้กับกับดวงวิญญาณทั้งหลายทั้งปวงบนจอยครับ ขอโอกาสครับเวลาไปอยู่กับครูบาอาจารย์ความเพียรสติจะมาเองเลยกินวันละมือ้อบางอกอดไม่กินตื่นตีสี่กายเบาใจเบาภาวนาดีกลับมาบ้านแพ้กิเลสขาดวินยัยโจทย์เดิมๆสอบไม่ผ่านสักทีแบบนี้เราจําเป็นต้องไปอยู่กับครูบาอาจารย์ไหมครับกลัวตายก่อนบรรลุมรรคผลลูกศิษย์ที่วัดร้ายมากพูดจายแย่เราพยายามทําดีกับเขาทําบุญช่วยเหลือเขาแต่เขาไม่มีน้ําใจเลยถ้าไปอยู่วัดต้องโดนคําพูดเขา ร่างกายเราก็ป่วยไม่ปกติด้วยครับถ้าไปอยู่ว่าทั้งรู้ต้องหัดทําใจให้ได้ทําตัวเราให้เป็นเหมือนเจ๋เหมือนเหมือนเจ๋วเหมือนคนรับใช้แถ้าเราทับตัวว่าเราเป็นคุณนายคุณหญิงเนี่ยนะไปอยู่ก็จะลำบากแต่ถ้าเราคิดว่าเราเป็นคนรับใช้ทุกคนที่อยู่ในวัดเราก็จะอยู่กับเขาได้ถ้าเราจะอยู่ใกล้ครูบาอาจารย์แล้วก็ต้องทําอ่อนน้อมถ่อมตนคิดว่าเราเป็นเจ๋า เราเป็นคนรับใช้ทุกๆคนใครก็จะมาว่าเราบอกอะไรค่าค่ารับรับตามค่ามันก็จะไม่มีปัญหาปัญหาอยู่ที่เราไม่พอใจพอก็พูดอะไรไม่ถูกใจเราเราก็ไม่พอใจเกิดความโกรธขึ้นมาเราไปตอบโต้เขาเขาก็จะตอบโต้เราก็กลายเป็นเรื่องไปราวขึ้นมาเขาอยากไปตอบโต้ใครใครก็จะพูดอะไรค่าค่ารับมันค่าค่าอย่างเดียวเพราะบางครัเราไม่ได้มาอยู่เพื่อมี ดีน่นคือดาวับใครเป้าหมายของเราก็มาอยู่เพื่อให้อยู่ใกล้กูบาอาจารย์เท่านี้เ ร, เราก็ต้องยอมทนกับกับเหตุการณ์ต่างๆที่อาจจะมาทำให้เป็นอุปรสรรคของ ก, ก้นการที่เราจะอยู่ใกล้กับกูบาอาจารย์ได้มีทีทำก็คือทําใจเราให้เป็นแจ๋วนี้เ่าเราก็จะอยู่กับทุกคนได้เราไม่มีใครเกลียดเราถ้าเราไม่ไปไปทําตัวใหญ่กับเขาที่เขาเกียดเราเพราะเรามัาใช่ไปทําตัวใหญ่กับเขาเก่งกว่าเขาดีกว่าเขา ขาก็เราไม่พอใจเราอิจฉาที่ตายาเราลูกสาวอายุสิบสองปีนะครับตายคนเป็นแม่ต้องปฏิบัติอย่างไรครับขอแนวทางสว่างหน่อยนะครับอาจารย์ก็ปล่อยวางเลยขาเกิดแล้วเขาต้องตายเป็นธรรมดาเมื่อคนหึงเวลาตายก็บจบก็ก็ไม่ต้องไปคิดถึงเขาอีกต่อไปคิดไปก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรลืมไป ไม่ได้แล้วก็จะสบายใจสมัยนี้หลวงพ่อจรรยบอกว่าเทคโนโลยีสูงแต่ทําไมจิตใจตกต่ําเพราะว่าอะไรครับเพราะมันคนละเรื่องกันเนี่ยไม่เกี่ยวกันจิตใจตกต่ำเพราะว่าจิตใจไม่มีธรรมะเมี่ยแต่ไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องเทคโนโลยีเกี่ยวกับเรื่องทางอื่นปล่อยปาละละเลยเรื่องศีลธรรมกัน จิต ใ, ใจก็เลยตกต่ำนั่นเองไม่ได้ไ ม, ไม่ขาดการศึกษาธรรมะการการปฏิบัติธรรมะเอาเวลาส่วนใหญ่ไปให้การศึกษาปฏิบัติกี่ยับเรื่องเทคโนโลยีโโลยแทนเรื่องทางวัตถุแทนทางวัตถุ ก, ก็เลยเจริญแต่ทางทางใจิตใจก็เสื่อมลงต่ลงเพราะขาดธรรมะที่จะมาคอยรักษาให้อยู่สูงการไหว้บรรพบุรุษแบบจีนในวันตรุษจีนสาดจีน บรรพบรุษจะได้รับสิ่งต่างๆที่เรานําไปไหว้ไหมครับไม่ได้เลยถ้าจะไหว้ก็ไหว้ตอนที่ท่านมีชีวิตอยู่ตอนที่ท่านมีชีวิตอยู่อนนอยเอาพาท่านเป็นกินหูฉลามหรืออะไรก็ได้ให้ท่านมีความสุขตอนที่ท่านมีชีวิตอยู่ตอนตายไปนะนี่ท่านกินไม่ได้นะนอกจากส่งบุญไปให้ท่านได้อยู่มาทำบุญแล้วก็ทิ้งบุญนี้ไปให้กับท่านต่อไปแในการหาข้าวหาไปวางไว้ที่หน้าหลุมศพนี่ไม่ได้เลยนะ ไม่มีใครกินนอกจากเราเราจะได้กินพว ก, พวกที่มาว่าเราจะได้กินกันครับคุณพอลครับหากเรามีอาชีพเช่นทนายหรือผู้พิพากษาแต่ไปทําคดีให้ผู้ที่ผิดให้เป็นถูกเช่นไปช่วยเหลือลูกหนี้ให้ไม่จ่ายเงินหรือจ่ายเงินให้เจ้าหนี้ไม่ครบแบบนี้ทนายหรือผู้พิพากษาบาปไหมครับก็บาปเลยมันก็เป็นการเป็นการทําผิดไม่ได้เป็นการทําถูกตตามความเป็นจริง ทำให้คนที่เข้าถูกเป็นผิดนี่มันก็บาปแล้วทำให้คนถูกก็ผิดเป็นถูกเป็นผิดแล้วคนผิดเป็นถูกก็บาปอยู่ดีเพราะมันเป็นการหลอกลวงนะถือว่าเป็นการโกหกหลอกลวงไม่ทางการทําสมาธิให้รู้แจ้งต้องเริ่มจากการวางจิตแบบไหนครับฝึกสตินะให้อยู่กับพุโทโธพุโทโธไปทั้งวันพอเดินตาขึ้นมาก็เริ่มท่องพุโทโธพุโทโธไปภายในใจ พอมีเวลาว่างก็มานั่งสมาธิพุโทโธพุโทโธต่อง่ายจะตายไปพุโทโธคําเดียวนั่นเองแต่ถ้ถถถถถาต้องทํามันอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาให้ได้เท่านั้นเองก็จะได้สมาธิอย่างง่ายได้คุณพจนมานครับฝึกความความรู้สึกตัวมานานมีอาการขนลุกขนพองตลอดเวลาเคยมีอาการกําลังจะตื่นพลิกซ้ายพลิกขวาเหมือนตัวลอยหมุน เวลานั่งเหมือนตัวลอยมีอาการอาเจียนจริงๆอาการเหล่านี้เกี่ยวกับการเจริญสติไหมครับเป็นการเจริญสติมันถึงการอาการเหล่านี้ขึ้นมาการเจริญสติต้องอยู่กับธรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นอยู่กับคําบริกามพุโทโธพุโทโธหรืออยู่กับการดูการเคลื่อนไหวของร่างกายก็ได้ต้องมีอะไรเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจไม่ใช่ปล่อยให้จิตใจลอยไปลอยมากับสิ่ต่างๆที่วน ที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมามันก็ทำให้จิตใจเกิดอารมณ์คข้งค้างตามไปกับอาการต่างๆได้อันนี้ไม่ใช่วิธีเจริญสติเป็นวิธีปล่อยสติว่าให้ใจไหลไปตามอารมณ์ต่างๆาตามเหตุการณ์ต่างๆไม่ถูกถือสี่ห้าทำให้พ้นอบายภูมิใช่ไหมครับ ก็ถ้าเรารักษาสีหน้าได้ไม่ทำบาปเลยเ้วก็จะไม่ไปเกิดหน้าบาไม่ไปเป็นสัตว์ในรัชานไม่เป็นเป็นเปรตต่างๆคุณถิตนานันท์ครับถ้าเราไปถวายปัจจัยพระแล้วพระรับไปแล้วรดน้ำมนต์ให้แล้วจิต ต, ตอนนั้นคิดว่าไม่โอเคแบบนี้จะบาปไหมครับและมีคนบอกว่าท่านเป็นพระอริยะแต่ที่ได้เคยศึกษามาการรดน้ำมนต์เป็นสีรัปะปรมาส ซึ่งเป็นสังโยตนข้อสามโยมก็เลยคิดว่าไม่น่าจะใช่แบบนี้เป็นการปรามาสไหมครับแล้วลดน้ำมนตแบบนี้เป็นศีลปัตตาประมาสใช่ไหมครับคือการลดน้ำมนนี่ก็เป็นความเชื่ออย่างหนึ่งว่าเวลาได้น้ำมนต์แล้วก็จะได้ได้สิ่ศักดิ์สิทธิ์มาเข้ามาในตัวเราเพาื่อที่จะทําทให้ชีวิตของเราดีขึ้นมันก็เป็นเพียงแต่ความเชื่อมันจะเป็นความจริงหรือไม่นั่นก็อีกเรื่องหนึง่งมันไม่เกี่ยวกอะเราเรื่องศีลปัตตาป ร, ปรมาส ไม่พาท่านก็นทําหน้าที่ของท่านไปเมื่อมีญาติโยมมาขอน้ํามนต์ท่านก็นให้น้ำมนต์ไปมันไม่เกี่ยวกับเรื่องศีลพระตปามาปแต่อย่างใดไม่บาปไม่บาปแต่อย่งยงางใดเงินพาธที่ลดน้ำมนต์จั้งวันนี้ก็บาปกันไม่หมดแล้นี่ยคาถามสุดท้ายครับพระอาจารย์ครับระหว่างการงานกับแม่ที่กําลังป่วยเราต้องเลือกสิ่งไหนต้องตัดสินใจเลือกทางไหนดีที่สุดครับ ก็ทําทั้งสองทางได้ก็เอาทั้งสองทางถ้ายังจํายังคงเป็นยังต้องทำงานหาเงินเีชีพอยู่แล้วก็ต้องทำงานไปเวลามีเวลาว่างเราก็มาดูแลคุณแม่แต่ถ้าคุณแม่ต้องการให้เราดูแลตลอดเวลาเราก็ต้องเรื่องคุณแม่ก่อนก่อนเรื่องงานแต่ถ้าเราดูแลคุณแม่เราจะมีรายได้มาดูแลคุณแม่ไมุณแมก็ต้องมีหลายเหตุหลายปัจจัยที่ต้องพิจารณาให้รอบคอบก่อนแต่เป้าหมายหลัก็คือต้องดูแลคุณแม่อย่างแน่นอน เห็นไหว่าจะดวแลในระดับไหนที่พอเพียงต่อครับต้องการของท่านนัท่านนั้นเองอาจารย์ครับขอโอกาสครับโอวันนี้นิวายครับอาจารย์มีในเฟซหนึ่งพันห้าสิบเก้าครับในยูหกร้อยเก้าสิบหกในครับเ o า s e เก้าครับในติ๊กตอกเก้าร้อยเก้าสิบสองครับรวมสองพันห้อยห้าสิบหกคนครับอาจารย์ครับ อาจจะเป็เพราะาตอนนี้เปลี่ยนสถานภาพเป็นสวอแล้วก็บ้งก็เลยอยากจะมาฟังสววอรเมือ่อก่นนี้เป็นตำหนอะไรอันนี้เล่นนอดต่อเล่ครับผมอาจารต้องระวังใจงอ่าแล้วก็ยังเหมือนเดิมอยู่ย่าไปน้องกับตําแหน่งครับอาจารย์ครับที่พระอาจารย์ไปที่พึ่งที่พระอาจารย์สอนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเอามาย้อนฟังอยู่เรือร่อยครับอาจารย์ครับ อ, อมันของชื่อคานะั้นเดี๋ยวมันก็หมด มันมีเวาลาของมันมันก็สิ้นสุดลงกเ็เอามาทําประโยชน์ก็แล้วกันถ้ามีโอกาสที่จะทําประโยชน์ได้มากขึ้นได้ช่วยหรือเรื่องทำบุญมากขึ้นก็ทําไปท่านั้นเองแต่ถ้าจะมาหวังว่าเอามาเอามาโชว์มาอวดว่าเราเก่งคนนี้คนนี้อันนี้มันจะเป็นกินเนะครับโอเคนะสําหรับวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลา ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปเพน่นพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขการเจริญก้าวหน้าในธรรมนี้ขึ้นไปเธอสาธุกขอลาคุณหมอและท่านผู้ชมผู้ฟังไว้เพียงเท่านี้ถ้าไม่มีเหตุกัดข้างอันใดก็คงจะได้พบกันอย่เช่นเคยในอาทิตย์หน้าขอจเจริญพรขอบพระคุณพระอาจารย์ครับ